อาจารย์ครับกล่าวณภาษการครับผมเจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านและคุณหมอด้วยครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้เดินบินทบาทคนเยอะไหมครับผมก็สี่ร้อยกว่าสี่ร้อยสิบสกว่าวันนี้เป็นปกติของวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอาจารย์วันอาทิตย์จึป็นิครับผมครับพระอาจารย์ครับวันนี้ต่อจากครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้ว กับเรียนพระอาจารย์เรื่องสติวันนี้ก็เลยต่อด้วยปัญญาจะได้ครบเรื่องการภาวนาครับอพระอาจารย์ก็สอนเสมอว่าเรื่องปัญญาต้องมีสติมีสมาธิมาก่อนแต่ว่าอย่างพวกเราเป็นคารวะกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่ได้เต็มรูปแบบขนาด น, นั้นก็เลยกาบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันเนี่ยจะพอทําได้บ้างไหมและทําได้อย่างไรครับอาจารย์ครับกับขอบความเมตตาครับคือการจะเป็น พิจารณาปัญญาเนะี่ยมันคิดพิจารณาเรื่องที่จิตเราไม่ค่อยชอบคิดไม่ยอมพิจารณา เ, เรื่องความตายเรื่องการสูญเสียเรื่องการพลาดพลาดอากของที่เรารักไปเพราะกิเลสมันจะมาคอยขัดขวางไม่ให้เราคิดเพราะเราคิดแล้วเราจะเกิดความรู้สึกขัดขใจไม่สบายใจแล้วเรางทีอาจจะมีวิชาทิฏฐิไปคิดว่าเหมือนกับเราไปสาปแช่งตัวเราเองหรือเปล่า แค่สิ่งต่างถึงบอกว่าถ้าใจยังไม่สงบมไม่มีอุเบกขานี้จะถูกกิเลสมาคอยขวางกั้นอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าคิดกด้จะคิดได้เพียงแค่ครั้งสองครัซึ่งมันไม่พอการคิดจริงๆแลนะมันคิดจะคิดทั้งหมันทั้งคืนเลยแล้ว ถ, ถ้ามันฝังอยู่ในใจเช่นพิจารณาของที่เราเกี่ยวข้องกับเราของที่ เวลาถ้าเกิดเขาจากเราไปแล้วเราจะมีผล ก, กระทบต่อเราเช่นทรัพย์สินของเราแบบนี้ถ้าเกิดเราสูญเสียทรัพย์สินไปเราจะคิดอย่างไรหรือคนที่เรารักที่เราใกล้ใกล้ชิดเราถ้าเกิดเขาตายไปก็เป็นอะไรไปนะเราจะรู้สึกอย่างไรอันนี้แหละเป็นปัญญาถามตัวเองต้องถามตัวเองทดสอบตัวเองอย่างเลยว่านะเป็นยังไงถ้าเกิด สิ้นเนี้ยป่าดาตัวไปล้มละลายไปอจะจะทุกข์กับมันหรือไม่ถ้าเกิดสูญเสียสิ่งที่เรารักไปแล้วคนที่เรารักไปเราจะทุกข์หรือไม่ถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาเรายังไม่เห็นันมองไม่เห็นอนิจจาความไม่เที่ยงคือสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้อง ย่อมีการดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่ง ท, ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องดับไปวันใดวันหนึ่งชาตินงเร็วเนี่ยเราต้องพิจารณาทุกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยที่เราเบี่ยปนกระทบต่อจิตใจของเราเมื่อถ้าเกิดเวลาเข้าจากออกไปแล้วเราจะทุกข์กับเขาไหมถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นอนิจจัง ถ้าไม่ทุกข์รู้สึกเฉยเยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อันนี้แหละว่าถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาขึ้นมาอันนี้ก็ขอาอย่างมันไม่คิดมันก็เลย ม, มันต้องคิดเตือนย้ำแล้วย้ำอกีกซ้ำแล้วย้ำอกีกทุกวัน ท, ทุกเวลานาที่ทเวลาเราเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับคนนี้ปั๊บวันนี้นั้นก็อาจจะไม่ได้ อยู่ด้วยกันไปตลอดนะทัพย์สมบัติสิ่งของที่เราใช้อยู่ทุวันนี้มันก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดต้องคิดอยู่เรื่อยๆชิดจนนัมันเป็นนิสัยมองเห็นอะไรก็มองเห็นความดับของสิ่งนั้นๆแล้วใจไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าใจเดือดร้อนยังไม่สบายใจก็สแสดงว่ายังไม่ปล่อย ยังไม่มีอุเบกขาที่จะปล่อยมันก็จำเป็นที่จะต้องไปฝึกสมาธิให้มีอุเบกขาบ้างๆถ้ามีอุเบกขาบ้างๆแล้วเวลาพิจารณาอะไรมันจะเฉยได้เห็นอะไรเห็นพิจารณาสิ่งที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่ต้องจากไปใจมันจะไม่เดือดร้อนถ้ามีอุเบกขาพราใจมีที่พึ่งของใจคือความสงบใจมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไร อันนั้นแหะถึงเป็นที่มาว่าทําไมถึงต้องมีปีสมาธิมีอเวทข้าก่อนก่อนที่จะไปพิจารณาทางปัญญาเพราะถ้าไม่มีมันจะไม่มกล้าพิจารณาหรือพิจารณาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไม่เอานะไม่อยากคิดคิดแล้วหดหู่ใจไว้รอให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนนะแล้วก็มันก็ไม่ทันการเวลาแกเหตุการเกิด ข, ขึ้นมาสูญเสีย ใ, ใครไปปั๊บนี้ ทางด้านที่รู้อยู่มันก็ยังหมดที่จะเศร้าใจเสียใจไม่ได้เดินไปประสบกับสิ่งที่เราไม่ต้องการเราจะทําใจเฉยได้หรือเปล่าหรืออาจจะเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดโกรธแคงขึ้นมาเกดิดขึ้นมีใครเข้ามาทาร้ายเรากัรแข้งเรายดุถูก ด, ดุแคร์เราอะไรทำนองนี้เราจะทำให้เกิดความโกรธเราย้ำย้ำความโกรธได้หรือเปล่า แเราเฉยเฉยได้เปลาครับเหตุการณ์ต่างๆว่าเราไม่ควบคุมบังคับเขาไม่ได้บุกคนต่างๆเขาจะทําอะไรเขาจะพูดอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้มันนี้คดีครับวันไปดีๆคนก็มาปาหน้าแล้วก็มาด่าเราเราอย่ายิ้มได้เปล่าสาธุสาธุโยมพลเรือนพรี่ไปเลยเรื่องจะโกรธ เกิดจากอาการตอบโต้ขึ้นมาดีอนนะคือปัญญาต้องจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วดูปฏิกิริยาของใจของเราว่าใจของเราเฉยได้ไั้ยไม่เดือดร้อน้วยยังมีความสุขสบายเฉยๆเป็นเหมือนทองไม่รู้ร้อนได้ปะครับข่าพเจ้า โดยส่วนตัวผมก็เวลาผมเจออะไรผมก็พิจารณาอย่างนี้ครับอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกว่าเ<ม>วลาที่ไปเจออย่างลดป่าหรืออะไรอย่างงี้ไม่มีปัญหากหับผมครับอาจาร<ม>ย์อื่โกรธพิจารณาโดยส่วนแต่บางคนอาจจะมีความ ร, รู้สึกต่างกันแไปครับบ า, บางเรื่องมบางอย่างบาเรื่องอาจจะไม่จะคนหนึ่งก็อาจจะไม่รู้สึกแต่คนเราอาจจะรู้สึกก็ได้ แต่ที่รู้สึกติดแน่ๆเลยคือเรื่องติดคนที่รักเนี่ยครับอาจารย์อันได้ติดรู้สึกอันนี้พิจารณาแล้วยังยังมีปัญหาอยู่ครับอาจารย์ยังทำใจไม่ได้ัรักไม่ได้แต่แต่อาจารย์ครับมันพอเป็นไปได้ไหมครับว่าสมมติว่าเราเพิจารณาอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเออยังไม่ได้แต่พอถึงเวลาจริงๆเราอาจจะได้อย่างเช่นเมื่อสามสีวันก่อนที่มีโยมเขียนจดหมายมาลายมาบอกผมครับอาจารย์ mm hmm. ว่ามีแล้วเสียคุณอ่าคุณพ่อกับพี่ชาย แล้วก็แล้วเมื่อวานสื่อ น, นี้ก็เสียคุณแม่ไปอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมมาของพระอาจารย์เนี่ยเขาคงจะแย่แน่เลยแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาทําใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นปัญญาที่ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระอาจารย์นะครับแล้วก็เจอเหตุการณ์จริงมันก็เป็นเป็นการทำข้อส mm ับ hmm. ถ้าใจเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าในเรื่องเรื่องเรื่องนี้เราผ่านได้ mm hmm. แต่อาจจะยังไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องที่มันทําให้เราไม่ผานเช่นถ้าเกิดเป็นลูกเราลูกที่เรารักขึ้นมาหรือสามีที่เรารักขึ้นมาสามีไม่ต้องตายก็ได้สามีไปมีแฟนใหม่ะไปมีแฟนใหม่เป็นอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันก็เป็นเรื่องอนิจจงเหมือนกันใช่หไหมคือการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องอนิจจ์นะนะ ใครเป็นสามภรรยาที่ซื่อสัตว์แล ว, วันดีคืดีก็ไปเจอหนุ่มชอบหนุ่มคนนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปล้มลากเขาครับ<ฆ>อันนี้ก็เป็นเป็นปัญญาเหมือนกันอันนี้จังเหมือนกัน อ, อไม่แน่นอนไม่เหมือนแน่นอนเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะมันมีเยอะแยะไปหมดถ้งพิจารณาต้องพิจารณาคนที่พิจารณาทางด้านปัญญานี่ต้องคิดแบบ สุดนแต่ทุกอย่างเลยครับ <c oughs> มีทางขับเฮ้าก็ถามมาพอดีครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้เพิ่ง อ, อกหักครับ <c oughs> <c oughs> ข อ, ข อ, ข, อขอคิดเรื่องก็จะพาจาับ <c oughs> โอ้ยอกหักนี่เราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะ <c oughs> มีนิทานเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของนลวงปู่ขาวเนี่ย <c oughs> ท่านเป็นฆราวะท่านมีภรรยาแล้ววันดีคืนดีนั่นไปจับเห็นภรรยาไปนอนกับชูครับ โหท่านหลอดท่านแค้นมากในใจนี่ท่านหลอดพร้อมที่จะไปฆ่าเขาทั้งสองคนเลยแต่พอดีได้สติคิดขึ้นมาว่าเขาเพียงแต่ไปนอนรุ่มกันนะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรกับเรานี่เราถึงก่อนจะไปฆ่าเขาเลยนี่เราไม่เลยหั ว, วเขาเลย mm hmm. พอได้สติขึ้นมาคิดว่าอ๋อนี่แหละความทุกขของการมีภรรยามีสามีเป็นอย่างนี้เอว่าภรรยาสามีมันไม่ได้เป็นของที่แน่นอน งที่พระจรักเราซื่อสัตว์กับเราไปตลอดเสมอไปวันดีคืนดีเขาอาจจะไม่รักเราก็ได้อันนี้ก็เลยได้ได้สติได้ปัญญาเห็นทุกในการมีครอบครัวฉะนั้นก็ไม่เอาในกาครอบครัวประการบอกเช่าบ้านเลยอว่าขอยกภรรยาให้กับแฟนใหม่เข้าไปเลยแล้วตัวนเองจะลาไปบ แล้วก็ไปบวชติดตามศึกษากับหลวงปู่มัน่นจนในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอาหารขึ้นมาในยุคปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่ขาววัดท่าบางเพลงอยู่ยังวัดดอนท่านี้ตางที่นหลวงไปกาบมีคลิปของบ b c ซที่เขาเผยแพร่อยู่ในยูทูป o ฟซบ o ๊กยูทูนหลวงไปกาบหลวงปู่ขาวอันนี้ก็ถือเอาเปเป็นโอกาส ดีสิถ้าแฟนก็จะทิ้งเอาไปก็ดีหมดมันเราไม่ต้องมีภาระคนบางคนอยากจะบวชไปไม่ได้เก็ติดมีภรรยาครับ <c oughs> มีมีลูกศิษคนนี้งเข้ามามาบอกว่าเนี่ยไปสัญญ า, า, ะพ า, พ า, าอะไรยาว่าจะพาภรรยาไปเที่ยวไปทําอะไรแต่ตัวเองนี่อยากจะไปบวชอยากจะไปปฏิบัติธรรมไปทำยังไงดีทําไงเราเราไปสัญญากับ เ, เขาไว้นะเราก็ต้องรักษาสัญญาไม่รักษาสัจจะ ต้องไปทําต้องต้องไปใช้หน้าใช้หนี้เหมือนการเราไปสัญญาเพราว่าเราก็เป็นหนี้เขาแล้วมาถึงเวลาเราต้องใช้หนี้นี่เราไม่ต้องไปใช้หนี้แผลแผลเข้าไปแล้วเราก็กที่นี้ไปปฏิบัติทําได้ไปบวชได้เราเอาพิจิตให้เป็นโอกาสได้เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันเราสามารถคลิกกับกระไม้เป็นโอกาสไดนะ้ถ้าเราคิดไป แต่เราไม่รู้จักโอกาสมันเป็นยังไงปะนะัญหาโอกาสคือการไปบวชเนี่ยเป็นโอกาสที่เลิศที่สุดนะซึ่งบางทีอาจจะไปไม่ได้ถ้าเกิดคุณน่งดูไว้คุณมีทรัพย์สมบัติเยอะๆนี่ยคุณก็ต้องดูแลทรัพย์สมบัติแต่วางทีก็ดีถเกิดคุณร้มละลายขึ้นมานี่ถ้าคุณมีปัญญาคนเพชรสักหน่อ ย, ยอ๋อแล้โอกาสอยากจะไปบวชไปได้แล้วทีนี้ไม่ต้องมาห่วงเรื่องสมบัตนะินเพราะไม่มีสมบัติให้ห่วงนะซึ่งเนื่อฟ้าดาตัวนะ งั้นการสูญเสียนี่เป็นวิกฤตที่สามารถพลิกให้มาเป็นโอกาสได้ไม่ว่าจะสูญเสียอะไรก็ตามถ้าเราถ้าเราเห็นการบวชนี้เป็นโอกาสอันเลิศที่สุดเพราะมันจึงไม่มีอะไรที่จะเลิศ ก, กับการที่ได้บวชเป็นพาเลื่อนใช่ไหมที่บวชก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติทำอย่างจริงจําเลยไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับการได้บวชได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพราะมันจะพาเราไปสู่การสัมผัสกับรูปแห่งธรรมที่ชนะรูทั้งปุก ไม่มดติดดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายยันคนที่บอกหางไม่อยากไปเสียใจเลยคนจะดีใจอันนี้เป็นออเป็นิสระนะไม่ต้องไปขออนุญาตใครแนละ้วจะไปปฏิบัติที่ไหนจะไปอะไรกับใครไม่ต้องไปขออนุญาตใครนะเราเป็น อ, ปอิสระของเราเต็มที่ได้ปัญญามากมเสงสัย จ, จะได้ไปปวดที่คืี่เ ครับยืนการพิจารณาปัญญาพิจารณาได้แต่เรากล้าพิจารณาหรือไม่นับพิจารณาบ่อยหรือไม่มันต้องพิจารณาจนกระทั่งเรามีความมั่นใจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่เดือยล้าเราจะรู้สึกเฉยเฉอาจารย์ครับอย่างในกรณีหลวงปู่ขาวก็แสดงว่าปัญญานี่มาที่หลังเหตุการณ์ก็คือท่านก็ยังปัญญาก็ยังดียังมีปัญญามาทันนี่กับคนบางคนหน้ามืด มีแต่ความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาลอาจจะไปฆ่าเขาแล้วอาจจะไปติดคุกติดตารางหรือฆ่าตัวเองตายก็ได้ใช่ไหมมีเหตุการณ์ใช่ไห ม, ม, หนไหมคนที่ไปฆ่าคนอื่นตายแล้วก็ไม่อยากจะไปรับโทษก็ฆ่าตัวเองตายยืนแสดงไม่มีปัญญาตามมาเลยไม่มีสติยับย่ง้งไม่มีปัญญาคิดแต่กรณีหลวงปู่กานีิท่านอาจจะมีบารมีเก่าเยอะมีปัญญาบารมีมีเมตตาบารมีติดตัวมาอยู่ ยิ่งทำให้ท่านยํายั้งความราคาพผยาบาบไดคบบบคาา้ครับกรับขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ได้ปัญญาเยอะเลยครับยังใครมีอะไรเรื่องบั่นพิจนาเสียแต่ตอนนี้บ่อยๆว่าจะนําสูญเสียจะน้ำมีการพัดถ่ายจากอกาศเป็นธรรมดาฟังดูแล้วก็คือไตรักก็คือปัญญาโดยตรงใช่มันเกี่ยวกับปตัตยลักท่านนั้นแหะเกี่ยวกับนิจางานนัตตาและปะุถุคันที่ตามมา อะไรเป็นอนิจจังพอมันเปลี่ยนไปปั๊บมันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเรามีปัญญาเรารู้ทันเรารู้มันจะต้องเกิดเราเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมปล่อยไว้ก่อนเราก็จะไม่ทุกข์แสดงว่าเราเห็นอนิจจังถ้าไม่เห็นอนิจจังก็เหมือนเผลอเผลอถูกนอกเหตุการณอยู่ดีก็โผล่ไปไมาพระเราไม่เตรียมทำการบ้านไว้ก่อนพอไปทําข้อสอบก็ทําข้อสอบนี้ไม่ได้ผมจำ ทำขสอบทุกวันครับอาจารย์ครับทุกอย่างทุกเรื่องที่เรามาสัมผัสด้วยตาเูจาจะบอกเลียกายขอเาเนี่ยครับไม่มีอะไรเป็นของเราอันนี้ก็ดีที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเรามาตัวปเปล่าๆแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปเ้าก็ไปตัวปเปล่าๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเราที่เราเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่น่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราเราก็เอาไป ขอโอกาสพระอาจารย์ถามคำถามจากเพื่อนๆนะครับคุณสมพ ร, รบอกว่าการที่เราเห็นสัตจากความจริงของชีวิตชนิดแบบหูและลิ้นช้างกระดิกหูและปัญญาก็หายว่าบไปอย่างนี้เรียกว่าโยมได้เจริญปัญญาแล้วหรือยังครับก็เมื่อเห็นแล้วเราก็ต้องเอามาพิาจาริญต่อให้มันไม่หายสิไม่ใช่ให้มันหายถ้ามันหายมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรปัญญาเหมือนอาวุธอนะถ้าเราไมนมีเราเขาหมา้ออาวุธมาให้เราปั๊มแล้วเขาก็ เดืงองเอากลับไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร้เขาให้มาแล้วเราต้องยึดเก็บเอาไว้รักษ า, าไว้ให้อยู่กู้กายของเราเอาเวลาเกิดมีความจะเป็นจะท่านใช้ป้องกันตัวเราก็จะได้ใช้มันได้ทันทีดะนั้นการเห็นวาดในนี้มันเป็นแก่เป็นการมีการเหมืนกับเป็นสบสัญญาว่านี่คืออาวุธนะควรเรีบเอามาพบไว้ติดตัวคุณตลอดเวลา คุณต้องมีปัญญาอันนี้ตลอดเวลาต้องเห็นตลอดเวลาต้องรู้ตลอดเวลาว่าจะต้องเกิดสิ่งนี้กับเราไม่ใช่กันเลยเช่นความตายอย่างนี้เป็นต้นครับคุณภูครับพระอาจารย์ผมเพ่งเริ่มฝึกนะผมเพ่งเริ่มฝึกนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจพุโทโธแต่ก็ยังมีเผลอคิดไปเรื่องอื่นถ้าผมกำหนดลมหายใจพุโทโธหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยแบบนี้ได้ไหมครับว่าผมจะได้ตามลำดับตัวเลขไปด้วยครับ เพื่อในเริ่มต้นก็าจจะทําได้นะถ้ามันช่วยช่วยดึงใจไม่ให้ไปผ่าคลิปเรื่องหนึ่งแต่เมื่อถึงจุดที่มันไม่ไม่ไปขลิปเรื่องไหนแล้วเราควรจะหยุดนับควรจะดูลงแล้วพุดโธไปอย่างเดียวจะดีกว่ามันจะได้ลดภาวะของการทํางานมีจิตให้น้อยลงเพราะป้าหมายของเราก็คือต้องการหยุดจิตหยุดคลิปหยุดอะไรทั้งสิ้น คุณวันเพ็ญครับกราบพระอาจารย์ชี้แนะเรื่องความไม่เที่ยงตอนป่วยลู้ออกไปนั่งดูลมหายใจที่ระเบียงสังเกตเห็นแสงแดดส่องมาแล้วจางหายแล้วกลับมาส่องใหม่จางหายวนไปจึงพิจารณาเกิดดับเหมือนการเกิดตายถ้าเข้าไปยึดมั่นก็ทุกเจ้าค่ะนั่นแหะคือของภายนอกมันมันถองบางอย่างไม่มีคนกระทบกับเรามันจะเกิดจะดับเช่นพระที่ขึ้นภาพที่ตกมันไม่มีผลกระทบกับเรา ใบไม้ร่วงนี่มันไม่มีเหมือนกระทบอะไรกับเราได้แล้วจะเอามาดูเป็นตัวอย่างว่าของทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ของทุกอย่างมีนเกิดไม่ได้สิ่งที่มันมีคนกระทบกับเราอันนั้นนักเป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาคือร่างกายของเราร่างกายของเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันต้องตายคิดบ่อยๆต้องตายต้องตายต้องตายนี้ไม่พ้นความตายหนุ่พ้นความตายไปไม่ได้หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีไปแล้วไม่ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี ทำคาถาดีไว้หมันแช่งตัวเองไปเรื่อยอ่เงี้ยจนจนยอมรับยอมยอมสาธุอัาภาธุร<ำ>ับอันแสดโอเคยอมรับนะความตายได้นะ ท, นท่านสอนให้ฝึกตายก่อนตายเนี่ยความหมายของกานฝึกตายก่อนตายชอบคิดถึงความตายอยู่เรื่อย คุณเต้ยว่ากราบนักเทศการว่าทําไมทุกครั้งที่ไหว้พระทําไมมักจะไหว้ได้ไม่นานและเผลอหลับทุกทีต้องทําอย่างไรคะไหว้ ไ, ไหว้แค่ลับที่เดือกับพระสามครั้งนี้ก็หลับมันก็เกินไปหรือเปล่าไหว้พระนี่ไหว้แบบไหนถึงต้องหลับเพีในขณะที่ไหว้พระไม่เข้าใจเข้าไปไหว้ตอนที่ม่วงมันก็หลับหรือสิอย่าไปไหว้ตอนที่ม่วงเนี่ยไหว้วตอนที่เราตื่นตื่นทําขึ้นมาค่อยไหว้ก็ได้ ถึงเวลาอยากจะนอนแล้วไปไหว้ผ้ามันก็หลับได้คามจีิง ม, มัไม่น่าหลับนะแค่กาบผ้าสามข้างนี้มันหลับได้นลยก็เก่งมาก น, นะคุณดวงพรครับบอกอันนี้บอกว่าได้สติมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเป็นคนโมโ oh ห ok ง่ายปัจจุบันฟังธรรมพระอาจารย์สติดีกว่าเดิมเจ้าค่าสะสถืพยายามฝึกไปเรื่อยสตินี้เป็นคำที่สําคัญที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสติถ้ามีสติแล้วต่อไปก็ทำสมาธิก็จะได้สมาธิพิจารณาทางปัญญาก็จะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องวันนี้มีคนทักไทยมาเยอะมากเลยครับอาจารย์ มีคนถามบอกว่าได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์แล้วอยากทำบุญกับพระอาจารย์แต่ไม่สะดวกไปกราบพระอาจารย์เพราะข้อเขาเสื่อมจะสามารถโอนเงินอ๋ออันนี้ถามผมฝากคุณหมอไปทำบุญได้บ้างไหมได้ครับเดี๋ยวตอนหลังรายการนะครับคุณแม็กซ์ครับเวลานั่งเข้าฌานผมแยกจิตออกจากร่างกายเข้าถึงธรรมได้ดีแต่เวลาไม่ได้เข้าฌาร่างกายมันบังคับจิตให้เกิดกิเลสมีวิธีแก้อย่างไรครับ ก็ต้องเข้าชาญบ่อยๆอยเยนี่ยพ อ, อ, อกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาแยกแทนต้องพิจารณาว่าเราก็ร่างกายเป็นคนต่อสัมกันเราเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นยีนน้หลงไปที่ผู้รู้ผู้คิดนี้มามาผูกติดเอาไว้ด้วยด้วยวิญญาณทั้งห้า ว, วิญญาณทางตาผมจะมองดิ้นกายแล้ก็ไปหลองคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดนี้ไปตทําไปคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเวลาอะไเกิดขึ้นกับร่างกายเราต้องเฉยได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราเราไปเดือดร้อนทำไมถ้าไม่ได้รับคนอื่นเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นเราไปเดือดร้อนแทนเขาหรืป่าไม่ยช่ไหมเราก็เฉยเฉยเราต้องคิดด้วยแล้วต้องทําให้ต้องทําให้ได้ด้วยเวลาที่เกิดอะไรกับร่างกายเนี่เราก็ต้องเฉยได้เพราะเราเราแยกกันด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวเรา คุณสเน็กบอริงครับกับเลินถามพระอาจารย์ค่ะมีสติในเอริยาบทต่างๆไปด้วยแล้วพยายามรู้สึกอยู่ตรงท้องน้อยไปด้วยนี่คือแบบเดียวกับการใช้พุโทโธกากับใช่ไหมคะรู้สึกว่าทำได้ยากถ้าจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมอื่นๆมันเหมือนไปหยุดความคิดครับออถ้าดูกิจกรรมไม่ต้องไปดูอย่างอืงอ่นดูได้เลื่อกิจกรรมอย่างเดียวไม่ต้องไปดูท้องน้อยเพราะมานเป็นดูสเรื่องไป Blue end. ถ้าเรากำลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารอยู่กัการตักข้าวเข้าปากอยู่กับการเคี Gree ่ยวอยู่กับการกลืนให้อยู่กับกิจที่เรากาลังทอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเราทำเรื่องนั้นไปขึ้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ล่าจะใช้คําบริการช่วยได้เช่นตักข้าวกับพุทโธเคี่ยวข้าวกับพุทโธกลืนเข้าไปกับพุทโธอันนี้ใช้พุทโธมาช่วยกำกําได้แต่ถ้าไปดูหน้าท้องด้วยและกินข้าวด้วยนี่มันไม่ถูก มันกกีรรรรรเเืื่่องององาะทคุณแต้มสีครับอยากเข้ามาฟังพระอาจารย์ค่ะเป็นกิเลสในด้านดีอย่างหนึ่งใช่ไหมคะอยากดูละครด้วยค่ะสองจิตสองใจอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าอยากเพิ่มกุศลของตนเองให้มากกว่านี้ต้องทําอย่างไรคะหรือถ้าเพิ่มบุญของตัวเองแล้วกุศลจะเพิ่มตามคะ <c oughs> เพิ่มกุศลด้วยการอยากในในใ น, ในสิ่งที่เป็นเป็นกุศลเลยการทำธรรมนี้เป็นกุศล การอยากาทำธรรมนี้ไม่ได้เป็นกิเลสการอยากปฏิบัติธรรมไม่เป็นกิเลสการอยากทำบุญไม่เป็นกิเลสการอยากรักษาสิ่งนี้ไม่เป็นกิเลสพ้เาเราอยากในสิ่งเหล่า น, นี้เป็นกุศลแล้วเมื่อเราอยากแล้วเร า, เราก็จะมีการกระทำเมื่อมีการกระทำแล้วกุศลก็จะเพิ่มขึ้นไปตามลำดับนั่นเองคุณจิรดาครับ ก, ก, การนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพ่อของโยมเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มันต้องใช้สติอย่างมากหากไม่เคยฝึกมาคงทุกข์ใจมากโยมเห็นความเศร้าหมองพยายามเข้าครอบงําจิตแต่ก็มีสติอยู่กับปัจจุบันและใช้ปัญญาพิจารณาครับนั่นแหละคือต้องน่ะใช้สติใช้ปัญญาจะป้องกันความเศร้าหมองได้ป้องกันความซึมเศร้าได คุณนรลักษณ์ครับโยมไปปฏิบัติธรรมที่ป่าทำเลธรรมสองอาทิตย์กลับมาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอน้อมกาบพระอาจารย์ที่สอนสั่งจนนําให้โยมกล้าที่จะไปปฏิบัติในป่าเจ้าค่ะสารเในป่านี่ทำกันที่ปฏิบัติที่ดีที่สุดพระพุทธเ จ, จา้าพระสาวุทั้งหลายนี้ท่านบรรลุธรรมในป่านนะัไม่มีองค์ใดบรรลุธรรมในบ้านกันนะน้อยมากอาจจะมีกรณียกเว้นส่วนใหญ่แล้วนี่ท่าน มันรู้ทำลายป่าปนลายเขามันนั่นแหละคุณจิร ล, ลักษ์ครับกาลนิมัสการพระอาจารย์ครับการเปลี่ยนคําบริกรรมจากพุโทโธเป็นตายแน่การมองอวัยวะของเราเองให้ทะลุไปถึงกระดูกหรือการหมั่นคิดถึงการตายของคนรู้จักที่เพิ่งตายจากไปทําบ่อยๆน่าจะส่งเสริมการพิจารณาทางปัญญาไหมคะก็ส่งเสริมนะเรื่องราวอันนี้คือเรื่องของปัญญาเท่านั้นแต่มันต้อง พิจารณาให้มันเป็นกิจอย่านักหณะกไปแน่เรื่องไปอย่าอย่าจับนุ่นโยนนี้ไปมันจะไม่ได้เรื่องเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าาความตายก็ความตายอย่างเดียวคิดแต่เรื่องของความตายเราตายคนนั้นตายคนนี้ตายตายหมดอะไรเง้ <c oughs> ให้มันจนกันทั่งเราไม่เลยความตายเห็นใครก็คิดถึงความตายก่อนเลยมองเราก็คิดถึงความตายก่อนไม่คิดก่อนที่คิดเรื่องอื่น เห็นใครเมื่อก่อนเราจะมักมองว่าชื่ออะไรอะไรเราไปมองการตายก่อนเ น, นี่ตายแนะ่เห็นแม่ก็ตายแนะ่เห็นพ่อก็ตายแนะ่เห็นลูกก็ตายแนะ่เห็นสามีก็ตายแนะ่เอามาันเป็นเรื่องเรื่องไปไดีกว่าอย่ไปทําแบบอ ย, าาอย่างนิดีย่างหน่อยมันไม่ได้ไป็ก่อเป็นกำนะถ้าจะดูเรื่องอสุรกาก็ดูมันมอ ง, มองเห็นหน้าใครเห็นหน้ากายกายก็เห็นผมเห็นกระดูกเห็นนาําไส้เห็นปอดเห็นตับเห็นตายไปเลย มันเห็นเป็นเรื่องๆไปคุณสุปตาครับบอกว่าตั้งแต่รู้จักพระอาจารย์ก็รู้สึกได้แผนที่เดินทางกลับบ้านค่ะกําลังคารต่อแ ต, แต่แต่จะไม่หยุดคานค่ะคงมีสักวันที่จะลุกขึ้นเดินและวิ่งได้อย่างมั่นคงหนูหวังว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นรถและวินงมูลทางด่วนค่ะทุกคนมีโอกาสหรือที่เราจะช่วยโอกาสนั้นหรือไม่มากมาส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกเกลียนหนึ่งไปให้เราไปไปช่วยอย่างอื่นแทน ยังให้เราไปช่วยคนนั้นคนนี้ให้เราไปช่วยทรัพสมบัติข้าวของนเทนทองมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะออกวิ่งบุนถอนแห่งธรนได้คุณแต้มสีครับพระผู้ใหญ่หลายรูปมักจะอธิบายในแนวทางเดียวกันทํานองว่าทำวิเศษทั้งหลายอยู่เลยความตายไปนิดเดียวอยากให้พระอาจารย์อธิบายคํานี้ครับ ออการยังบรรลุธรรมก็คือการที่เราต้องยอมรับความตาย น, นั่นเองคือยอมตายถ้ายังกลัวตายอยู่มันก็บรรลุธรรมไม่ได้เราต้อพิจารณ า, ยาความตายแล้วเห็นว่าสิ่งที่ตายไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นเป็นดินน้ำลมไฟเราก็จะยอมตายได้เพอเรายอมตายได้เราก็จะบรรลุธรรมได้เพราะเราปล่อยว่างน่าส ก, กายทิฏฐิได้หลวงปู่ขาวนี่แหละรู้สึกที่ถ้านจำไม่ผิดท่า น, นพูดว่า ทำนั้นนิพพานอยู่ฝากตายพุทธาอยากจะไปนิพพานนี้ต้องผ่านความตายให้ได้คุณเอกราภครับการธรรมสการพระอาจารย์ครับจะฝึกจิตอย่างไรดีครับถึงแม้ว่าขาดสติก็ไม่เกิดโลคโกดหลงครับถ้าไม่เกิดลอดก่อนก็ไม่มีปัญหาเลยรปัญหาอยู่ที่มันเกิดนี่ถ้ามันเกิดก็ต้องใช้สติหรือปัญญามันให้ได้ สติก็พุโทโธพุโทโธไปเวลาโกรธใครกบพุโทโธพุโทโธพุทโธไปจนกว่าความโกรธนั้นจหะหายไปถึงจะหยุดพุดโทโธหรือถ้าใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าที่เราไปโกรธเขาเพราะเราไปอยากให้เขาทาอะไรให้เราใช่ไหมแล้วก็ไม่ทํำอะไรให้เราเราก็เลยโกรธเขาเราก็อย่าไปอยากสิเขาไม่ทําอะไรให้เราก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาต่อไปเราก็จะไม่โกรธเขา คุณสมปราถนาครับยังทุกข์ค่ะสามีเสียไปหนึ่งปรีครึ่งแล้วพอมองรูปภาพของเขาก็น้ําตาไหลมาเลยตั้งที่ฟังธรรมมานานครับนั่นแหละว่าจิตไม่สงบพอไม่มีโอเบคาเนีย่ยถึงบอกว่าการพิจารณาสิ่งที่เราความไม่เที่ยงนี่มันถ้าจิตมันไม่มีความสงบไม่มีโอเบคาเนี่ยพอมันคิดแล้วมันจะไม่สบายใจมันจะเสียใจเมื่อมันเสียใจก็เลยไม่อยากจะคิดกันเมื่อไม่คิดมันก็เลยลืม คุณมนฑนาครับการให้ต้องดูว่าให้ใครด้วยหรือคะทำไมบางคนโดนด่าว่าโง่ที่ให้ของคนบางคนการให้มันสำคัญที่ใจคนให้ใช่ไหมคะไม่ใช่คนรับเคยดูละครบอกว่าประวัติหลวงพ่อโตมีขโมยมาขโมยของในวัดนั่งภาวนาอยู่โจนเอามือลอดมาตามช่องพื้นกระดานโจรเอื้อมไม่ถึงหลวงพ่อก็เอาของไปใกล้ใก้มือโจรแล้วแกแล้วท่านก็ภาวนาต่อ แลยคิดว่าการให้มันสําคัญที่ใจคนให้ว่าจะตัดกิเลสเราได้มากน้อยแค่ไหนไม่สําคัญว่าให้ใครอย่างนี้หรือเปล่าครับเราควรยึดหลักอะไรครับคือมันแล้วแต่กรณีนะพูดว่าเวลาจะให้เนี่ยมันก็จะให้ใครแล้วก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าระดับโจรอยู่กคนดีเราจะไปให้ใครใช่ไหมถ้ารู้ว่าเราไปสนับสนุนโจรเราก็ไม่ควรจะสนับสนุนไปส่งเสริมให้เป็นโจรมากขึ้นแล้วก็ไม่เอา เพะเวลาให้เขาลองดูว่าคนที่เราให้นั้นเขาทําคุณประโยชน์หรือแล้วก็ทับโทษให้แกเราหรือกับสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะวิเคราะห์แต่ในเรื่องกรณีในเหตุการณ์จําเป็นอย่างกรณีของหลวงปู่นี้ท่านก็อาจจะค่าๆว่าถ้านอาจจะไม่ตามเป็นกรณีพิเศษนั้นอยากจะได้เข้ า, าไปก็ได้แต่ก็อาจจะไม่ดีในเชิงถ้ามองว่าเป็นการส่งเสริมให้เขากันให้เขาน่ า, นาติดใจมาเอาอีกก็ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องวิเคราเป็นกรอีกรอีไปไม่ใช่เหมารวมเป็าให้ใครก็ได้คุณโตครับการธรรมสถารครับไม่กี่วันมานี้ผมโดนคนสนิทกันมากๆหลายสิบปีขโมยทรัพย์ที่มีค่าไปเยอะรู้สึกโกรธแค้นในหัววางแผนการแก้แค้นตลอดเวลาเลยครับทุกใจมากครับเพราะเราไม่รป็เหมาเป็นการทำางนีนนนห่พ่อโต ท่านคิดว่ามามันก็ท่านก็แจกทาดไปคแล้วอย่างนึงมันก็ไปแล้วทําพย์เนี่ยมันไม่มีวันกลับมาเรายิ่งไปเอาเขื่อนมันยิ่งแค้นยิ่งไปเอาเขื่อนยิ่งมันสร้างควาทุกข์ให้กับเราแต่เราคิดว่ามันเป็นการทําบุญหรือเป็นการใช้หนี้กลับมาไม่คิดว่าถ้ามันเป็นสมบัติของเรามันก็จะกลับมาหาเราเองที่มันไปเพราะมันไม่ได้เป็นสมบัติของเรามันถึงไป ถ้ามันจะเป็นสมบัติของเราวันดีคืนดีมันอาจจะกลับมาหาเราก็ได้มออย่างนี้เราจะได้สบายใจจะมาว่าเป็นการทําลุ้นก็ได้จะมาว่าเป็นการใช้ดีเกัาก็ได้จะมาว่ามันไม่จะเป็นสมบัติของเรามันถึงไปมันถึงจากมาไปถ้ามันเป็นของนํามันก็มันก็จะต้องอยู่ของเราแล้วถ้ามันถ้ามันจะเป็นสมบัติของเราจริงเดี๋ยวมันกมันก็อาจจะกลับมาหาเราก็ได้มองอย่างนี้ล้วเราจะสบายใจจบ ไม่ติดใจกับเรื่องที่มนถ่านกันแล้วครับคุณนกกสาครับขอการเรียนถามค่ะฝันเห็นหลวงตามาหาบัวท่านให้ธูปมาสามดอกอยากทราบว่าหลวงตาให้คติธรรมอะไรครับน้องไปถามท่านอะไรล่ะนี่ <c oughs> <c oughs> เราไม่จะเป็นกคนทานายถ่ายฝันเนี่ เราถ้าเราเป็นเ ร, เราใช้กดตายรักไปเป็นสิ่เพราะวะ่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่นับหนับไปผ่านเวลาก็หมือนผ่านไ ป, นไปถ้าเราไม่สามารถเอามาใช้เป็นสาระประโยชน์ได้ก็่อผ่านไปนั้งนี้คุณปัทมาวดีครับทําอย่างไรถึงจะละทุกขได้ดีที่สุดเจ้าค้าทําไมมีแต่ทุกทั้งทั้งๆที่เหมือนจะมีพร้อมแล้วครับก็ลองปล่อยทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่าง ควาทุกข์เกิดจากความที่เราไปยึดติดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราต้องตัดความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราให้หมดไปได้ดูสมบัติของคนอื่นเราคนอื่นเราไปทุกข์กับเขานหมเราไม่ไปทุกข์สมบัติของคนอื่นบ้านของคนอื่นสามีภรรยาของคนอื่นเขาจะเป็นอะไรเราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ไปถือว่าเป็นของเราแต่อะไรที่เป็นของเราขึ้นมานี่เราจะทุกข์กับมันขึ้นมาทันทีเห็นด่าว่าทุกสิ่งที่อยากที่เราไปอยู่นี่มัาไม่ใช่เป็นของ เพราะความจริงมันก็ไม่ใช่ ว, วันนี้เกิน ด, ววดีเราก็ต้องคืนเข้าไ่หมดเวลาที่เราตายไปยนี้เราต้องคืนสมบัติคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาไปกับบุกไปกับใครก็แล้วแต่กลับคืนไปสู่ธรรมชาตินะธรรมชาติเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทํามาจากรธรรมชาติธรรมาจากรเดียนน้ำลมไฟคุณฟีดครับากาบเรียนถามสองข้อนะครับข้อที่หนึ่ง จริงไหมคะว่าต้องปฏิบัติสมาธิในรูปแบบวันละไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงจึงจะเริ่มเข้าถึงสมาธิได้บ้างครับมันไม่ได้อยู่ที่เวลามันอยู่ที่สติถ้ามีสติมาคนบางคนนั่งสมาธิแค่ห้านาทีก็เข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่มีสติบางคนปฏิบัติมาทั้งวันทั้งคืนเป็นปีก็ไม่เข้าสมาธิไม่ได้ครับนี่นมันอยู่ที่การเจริญสติเป็นหลักว่าเราสามารถเจริญสติให้มันต่อเนื่องเป็นสติสัมปชัญญะได้่ คือไม่เผยเลยให้มันอยู่กับอริยาบทของการเคลื่อนไหวก็อยู่กับเอรียบทไปตลอดทั้งวันทั้งคืนเดิยืนนั่งนอนถ้าอย่างนี้เวลานั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีมันก็เข้าสู่ความสงบนะข้อที่สองครับตอนนี้พยายามพุทโธสมัม่นเสมอเมื่อรู้สึกตัวจะเห็นความคิดของตัวเองมีทั้งดีและไม่ดีแต่ไม่สนใจไปคิดต่อทําแบบนี้ถูกไหมครับไม่ต้องสนใจอะไรเลยถ้าเราใช้พุทโธเราต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียว อย่าไปสนอย่าไปตามความคิดที่โผล่ขึ้นมาทาให้เราเสียสติขาดสติไปแล้วสติไปให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วก็อะไรจะมาสัมผัสมาความคิดจะโผล่ขึ้นมาหรืออะไรก็ตามไม่ให้ไปนสนใจให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวคุณสเน็กบอริงครับพระอาจารย์คะมีสติสมาธิรู้สึกถึงเรื่องที่กระทบไปเรื่อยๆ มันจะกลายเป็นปัญญาไหมคะแล้วการเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดสิ่งต่างๆที่กระทบเราไปเรื่อยๆทําให้วางอารมณ์ได้ง่ายเป็นแบบนี้หนูต้องเพิ่มอะไรบ้างคะปัญญาไม่ได้เกิดจากสติหรือสมาธนะิปัญญาเกิดจากการวิเคราะห์การศึกษาความเป็นจริงของสภาวะรทั้งหลายที่เราเข้าไปสัมผัสรับรู้ด้วยว่ามันเป็นตายรักนั่นเองอันนี้นอกใช้ความคิดคมันเป็นการวิเคราะห์ มันไม่เทียมยังไงถึงมันไม่เที่ยงอ๋อเพราะว่าเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันไปอยู่ตรงนั้นแลอันนี้ก็เรียกว่าไม่เที่ยงแล้วเราสั่งมันได้ไหมห้ามมันได้ไหมเช่นพาที่มันขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วตอนเย็นมันก็ไปอยู่ทางทิศตะวันตกเราไปสั่งมันได้หรือเปล่าพาที่นี้ก็ไม่เที่ยงใช่ไมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราก็แบควบคุมบังคับให้มันอยู่ทางทิศตะวันออกตลอดเวลาก็ไม่ได้ มันก็เป็นสิ่งที่มันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมครับอันนี้คือการการเจริญปัญญาต้องคิดหเห็นในแนวคงทายแล้วเห็นว่าเป็นอันนี้จังเห็นว่าเป็นอนัตตาแล้วถ้าเราไปอยากควบคุมเขาให้เป็นไปตามความร่างกายของเราเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นอันนี้คือวิธีการเจริญปัญญาสติกัะสมาธินี้เป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราสามารถพิจารณาได้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาะน ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิขิดนแค่คราบเดี่ยวเดี๋ย ว, ย ว, ยวกิเลก็ดึงไปขึ้นเรื่อยๆ ค, คุณมาริสาครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องตอนนี้มีคนนําบาทพระไปทําเป็นหม้อสุกี้หรือชาบูทําไมเขาไม่เอาพงรีไปทําป้ายร้านด้วยนะคะกรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการล่วงเกินพุทธศาสนาไหมเจ้าคะไม่หรอกบาทนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นพระชนะอย่างนีนอ้อย่าไปถือว่ามันเป็นอะไรแล้วจนะไปทุ่มกับมัน ใครก็อยาป็นอุจระใส่อุจระก็เลยของเขาไปมันเป็น เ, นเนของที่ไม่มีใครไ ม, ไม่มีกฎหมายห้ามไม่มีอะไรไปห้ามเขาให้เขาทําเลยอย่างคนหลังที่ชอบเอาเสซื้อเสียรพระไปตั้งไว้ในห้องส่วงตั้งไว้บ น, น, นชักโคกเป็นเครื่องประดับสําหรับเขาเพราะเขาไม่มีไม่รู้ความสาคัญกับพระพุทธรูปเพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้าเขาไม่ได้ถูกฝึกสอนให้แล้เขาคิดว่านี่เป็นพระศาษษษษษสดาของเราเป็นครูบาอาจารย์ของเรา ที่เราควรจะให้ความเคารพนับถือเขาก็เห็นว่าเป็นปฏิบากรรมอย่างหนึง่งที่กาวมาใช้ประดับระดับบ้านอคนขายสุกี้มันก็จะคิดว่าอันนี้ก็เป็นภาชนะที่เอามาใส่สุกี้ได้มันก็ไปซื้อมาใส่เองมั น, นจะไปเดือดร้อนทำไมปล่อยมาทำไป คุณแต้มสีครับบอกว่าตอนเด็กๆเป็นคนเซนซิตีเปลอบบางร้องไห้ง่ายใครว่าอะไรนิดหน่อยแอบไปคิดมากร้องไห้คนเดียวเลยใช้เวลาสิบปีในการฝึกเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายเป็นคนใหม่พอแม่เสียดิฉันไม่มีอาการร้องไห้เสียใจเลยเสียงก็ไม่มีสั่นเครือจนเพื่อนทักว่าแปลกเพราะดิฉันรู้ว่าตนเองตอนเด็กๆไม่ปกติและแม่เป็นเบาหวานก่อนจะเสียประมาณสิบเอดปีที่แล้วทําใจนานและโลกก็มีระดับที่ทําให้รู้ตัวว่าต้องพยายามทําใจอันนี้ดิฉันสอบผ่านไหมคะก็ ถ้าเราใจไม่ทุกกับมันก็แสดงว่าเราก็ผ่านแต่มันก็มีเรื่องอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นไหมเยอะแยะเลยเราจะต้องดูว่าเราเสอรผ่านทุกเรื่องหราคุณมารีครับเบนถามพระอาจารย์ครับการที่เราเข้ารับธรรมในนิกายเจ้าแม่คุณอิมจะเป็นการขัดกับศาสนาพุทธไหมครับถ้าคําสอนของเขาไม่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ก็ไม่ขัด อันไหนที่มันขัดก็ถือว่ามันก็ขัดยั ง, งย เ, รเราต้องยึดถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องยึดคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักแต่เราก็ไปเรียนเรียนวิชาอื่นได้เราไปโรงเรียนกันใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนวิชาต่างๆได้วิชาเหล่านั้นมันก็ไม่ขัดกับหลักธรรมคาสอนพระพุทเจ้าเรา ก, เราก็เราก็เอามามาเรียนได้แล้วมาใช้ได้แต่ถ้าไปเรียนวิชาที่เขาสอนให้ขโมยของนี้อันนี้มันก็แสดงว่ามันขัดหลักธานะําของพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าสอนให้เราไม่ขโมยแล้วเราไปเรียนวิชาขโมยของนี่ก็แสดงว่ามันวิชาที่เราไม่ควรไปศึกษาด้วยนั้นั้นอยู่ที่ว่ามันขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าขัดเราก็ไม่ควรที่จะไปรับคำสอนนั้นเข้ามาคุณวีนาครับหากไม่เจริญสติไม่นั่งสมาธิสามารถมาใช้ปัญญาพิจารณาเหตุการณ์ที่เป็นไตรลักษณ์ได้ไหมคะ ได้แต่มันจะไม่มีกําลังและมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้มันจะไม่มันไม่ติดอยู่กับใจนานพิจารณาสภาักก้เดียมันก็เลือได้มันเป็นสัญญามากกว่เป็นปัญญาพิพจารณาเราจะต้องตายแล้วพอเวลาเป็นเจวความตายขึ้นมาก็ตื่นเต้นตกใจขึ้นถ้าเป็นปัญญามันจะไม่ตื่นเต้นตกใจครับถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นปัญญาหรือไม่ก็เราไปอยู่ที่มันน่ากลัวน่ง ที่ที่นอาจจะมีเกิดท่าทายต่อความเป็นความตายหน้าเช่นไปอยู่ในป่าที่มีมีสิ่งสาระัาตร์ต่างๆอยู่คนเดียวเข้าไปคนเดียวไปค้างคืนในป่าหรือทั้งคืนนไปปักหรือไปแคมปิ้งในป่าคนเดียวแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วเราต้องตายกันทุกคนสิ่งที่ตายก็ไม่ยึงตัวเราของเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทุกกับมันดูเสเราจะทุกหรือไม่ อันนี้แหละไปถึงกาลืมแล้วพะพอได้ยินเสียงสัตว์คาลาขึ้นมานี่ก็เกิดความกลัวขึ้นมาก็แสดงว่ญญาปัญญาหายไปหมดแล้วเแตญญ่การเป็นสัญญาจำไม่ได้ล้าเราต้องตายเป็นธรรมดาคุณอุบลครับพระอาจารย์เจ้าคาทำบุญด้วยอะไรถึงจะมีปัญญาดีครับก็ด้วยการไปศึกษาความเทศฟังามถ่ำ การทำเทศคำธรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญปัญญาทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสุตตะมยาปัญญาการทำธรรมในการศึกษาธรรมะคำสอนจากหนังสือกดีจากสื่อต่างกันเองอันนี้เป็นขั้นต้นว่าเราได้ศึกษาแล้วนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้เราต้อเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเรียกว่าจินตามายาปัญญาแล้วขั้นต่อไปก็คือเราต้องสร้างกำลังของจิตคือโอเบขาขึ้นมา เพื่อที่เราจะได้ใช้ปัญญานี้ไ ป, ป่อววางสิ่งที่เราสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์เวลาที่เขาเกิดการสูญเสียหรือสูญสิ้นไปเช่นร่างกายของเราหรือทรัพย์สินของเราถ้าเราไม่มีอุเบกขาพอถึงแม้เราจะรู้ว่าทรัพย์สินนี้ไม่เป็นของชั่วขาวไม่ใช่เป็นของเราแต่เวลากิดมัจากเราไปนี่เราจะทาใจไม่ได้แต่ถ้าเราไปฝึกสตินั่งสมาธิ จิตใจของเรานี้สมบัติมีเบกาคแล้วเวลาเกิดการสูญเสียแล้วใจของเราจะเฉยถ้าเฉยแสดงว่าปัญญานี้เป็นภาวนาเมย์ปัญญาเป็นปัญญาที่เราต้องการไปที่จะสร้างขึ้นมาเรามาสายการสร้างจากสุตะากินตาแล้วก็ไปภาวนาเพื่อมาผสมมาสนับสนุนปัญญาที่เกิดจากได้การได้ยินได้ความจากการได้มาค่ายกดพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พอเจอเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็จะได้ไม่ทุกข์กว่าคุณป๋อมแปมครับได้ฟังธรรมะพระอาจารย์เกือบทุกวันและได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมอยู่สองครั้งกลับมาปฏิบัติต่อเนื่องแต่ลูกเจอเข้อสอบอยู่บ่อยๆลูกสอบตกทุกครั้งเจ้าค่ ะ, ะเราก็ต้องมาตื่นเข้มหน่อยข้อสอบเอาเอาเอามาเป็นบทเรียนสอนแล้วว่าเรายัางทําข้อนี้ไม่ได้เราก็ต้องเรียบมาทำลอามาพิจารณาให้เปดห ก็จไดอเรื tobacco, ่อยๆว่าเรายังอยากกับสิ่งนี้อยู่ยังยึดติดกับสิ่งนั้นอยู่เราต้องปล่อยวางว่าเราห้ามก็ไม่ได้สั่งก็ไม่ได้ควบคุมบังคับก็ไม่ได้บางทีเรามองไม่ครบแลบางทีเราเห็นอนิจจังแต่เราไม่เห็นตาไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ได้เห็นว่ามันเราไปควบคุมบังคับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้บางทีเราเห็นมันเปลี่ยนแปลงแต่เราบางทีก็ยังอยากจะให้มันไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเราไม่เห็นอน้าตาว่าเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลง แ, แล้วอย่าพยายามให้มันไม่เปลี่ยนแปลงคุณมาริษาครับกลับเรียนถามผู้อาจารย์เรื่องโรคอัลไซเมอร์ทางการแพทย์แนะนําให้ใช้สมองคิดเลขเล่นไพ่เก่งหวยแต่ในทางธรรมให้ใช้สติหยุดความคิดทําไมมันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเจ้าคะ มันคนละเรื่องกัน ก, นการหยุดความคิดนี้เป็นการฝึกสติเป็นการเป็นการทําใจให้สงบให้ใจมีอุเบกขาให้ใจมีความสุขส่วนเรื่องของเรื่องของอัลไซเมอร์ที่ถ้าองคิดเพื่อจะได้ไม่ลืมเนยปัญญาก็มาคิดได้ถ้าอยู่ในขั้นปัญญามาคิดอยู่เรื่อยๆ ต, ตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ให้มีความรู้สึกแค่รู้เรากําลงังวันนี้เรามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างตอนนี้เรามีหน้าที่อะไรต้องทํา อันนี้ก็คิดอยู่เรื่อยๆมันก็อันนี้ก็เป็นปัญญาแต่ที่พูดถึงสติให้หยุดความคิดนี้เป็นขั้นของการฝึกสมาธิขั้นขงการทําใจให้สงบให้มีอุเบกขามันก็ละขั้นครับพอมาถึงขั้นปัญญาก็ต้องคิดกันทั้งนั้นจะคิดถ้าคิดใช้ความคิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่หลงไม่เลวนปัญญาให้คิดแบบบ่อเช่นความตายให้คิดแบบบ่อยก็จะได้ไม่หลงไม่เลว คุณวีนาครับถ้าหากเราทําการบ้านมาดีเช่นเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาเราจะสามารถเอาชนะกิเลสได้ตลอดไหมคะเอ่าก็ลองทํำดูสิถ้าคุณเข้าสมาธิได้แล้วคุณจะมรออะไรนะคุณเคยเคยชอบอะไรก็ลอาหยุดเดิน ม, มันสิชอบชอบเดินเครื่องเดินวันนี้ก็คุณหยุดเดิน ม, มันสิเพราะมันมีความอยากไม่ใช่นะอยากได้ืูปเสียงกินรสของเครืร่เดือดถ้าร่างกายต้องการน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าๆก็สิ พิสูจน์หรือแคนี้ก็รู้แล้วว่าทําได้หรือไม่ได้การมีกิเลยของเราคือความอยากในรูนรปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เครื่องเดื่มที่มีรสมีกลิ่นมีสีนี่ก็แสดงว่าเป็นเป็นกิเลสนะ้าเราไปอยากในเครื่องเดื่มชนิดนี้เพราะแต่การดื่ม น, น้ำจริงๆนี้่ดื่มเพื่อให้ร่างกายมีน้ําหล่อเลี้ยงไม่ใช่ น, น้ำเปล่ากนี่ก็ทําหน้าที่ได้แต่สมบูรณ์ถ้าถ้าเดื่ม น, น้ําเพาื่อร่างกาย แต่เรามักจะรู้สึกว่ามันต้องเปรี้ยวปากมันต้องมีน้ําเปรี้ยวน้ําหวานนั่อันนี้แหละคือกิเลสแล้วล่ะคุณทําพิสูจน์ดูเลยถ้าคุณเอาชนะกิเลสได้เวลาเป็นทประทานอาหารไม่ต้องใส่เครื่องปรุงได้นะไวท์ส้มไวทเดียวเขาสั่ให้มาคุณก็กินตามที่ก้อเอามาไ ม, อาไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่น้ําปลาไม่ต้องใส่คลิ๊กไม่ต้องใส่อะไรกินตามที่ก้อทํามาให้เราไ ด, ไดไ้นี่แหละคือการชนะกิเลสขั้นขั้นยาก ท่านประจําวัดท่านใกล้กตัวเรารเจอทุกวันเจอมาทุกวันเริ่มกลินเริ่มเริ่มกลินเริ่มรสเริ่มสีเนเี่ยคุณจิวครับครับเป็นวลาตอไ่าปาคุณจิวครับบอกว่าเวลานั่งสมาธิมักกํากับด้วยพุทธโธควบคู่กับลมหายใจจิตก็มีเพ่งบ้างเผลอบ้างแล้วใจจะทราบว่าจะเดินปัญญาอย่างไรคะ อ๋อเป็นคนเรื่องกันที่เราพูดถึงนี่เป็นการเจริญสมาธิฝึกสมาธิทําจิตให้นิ่งการเจริญปัญญาต้องทํำเวลาอื่นไม่ใช่เวลาที่เราทําสมาธิเวลาที่เราไม่ได้ทําสมาธินี่เราจเจริญปัญญาได้อย่างที่เราพูดให้คิดว่าทุองอย่างที่เรามีอยู่นี่เป็นของไม่เที่ยมวันใดวันหนึ่งเราจะต้องสูญเสียมันมันจะตอกจากเราไปเราทําใจได้หรือเปล่ายอมรั บ, บความจริงกันนี้ได้ ถ้าเรายอมรับได้เราก็จะไม่ชุบเวลาที่เราเกิดการสูญเสียสิ่งต่างๆไปคุณนินาครับการสวดมนต์ที่ถูกต้องต้องสวดอย่างไรสวดในใจได้บุญไหมครับ <c oughs> สวดในใจนั้นดีกว่าสวดภายนอกมันพราะมันจะไม่ไกรบกวนชาวบ้านเนาะแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปรบ ก, กวนน้ำกายเพราะเราต้องการที่จะ หยุดความคิดต่างๆด้วยการใช้การสวมดมนต์งั้นการสวมดมนต์นี่เราสวดในใจหน้าดีที่สุด แ, แ, แล้วก็สวดแบบมีสติโือไม่ใช่สวดไปแล้วคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปด้วยต้องมีอยู่กับการสวมดมนต์เพียงเรื่องเดียวไม่ให้มีความคิดอื่นเข้ามาแทรกถ้ามีความคิดเราก็อย่าไปสนใจแล้วก็เกาะติอยู่ ก, การสวมดมนต์อยู่แล้วคุณพรชัยครับ ใจมาทางธรรมแต่ทางโลกยังปล่อยวางไม่ได้เช่นดื่มของมึนเมาทำอย่างไรดีครับก็ไม่ไม่ได้อยากทำมาจริงอะไรถ้ามาจริงมันก็ต้องปล่อยได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามันโลกรักพี่เสียดายน้องอยากจะเอทั้งสองคนเลยทำไปทำมาก็ไม่ได้สักคนทางโลกก็ไม่ได้ทางโลก ก, ก็ไม่ได้ดีทางธรรมก็ไม่ได้ดีมันจับปลาสองมืออยากจะจะับปลา สองตัวด้วยสองมืออย่างละมือตัวละมือจับมันก็เลยไม่มั่นคงพราะปลามันดื่นได้มันลื่นได้ก็จะหลุดไปทั้งสองตัวถ้าจับปลาตัวเดียวด้วยสองมือนี่มันจะมั่นคงกว่างั้นเราต้องเลือกทางถ้าเราอยากจะมาทางธรรมก็ต้องทิ้งทางโลกถ้ า, าไม่ทิ้งทางโลกเราก็มาทางธรรมไม่ได้ที่ไม่อยากจะมาก็ามาไม่ได้คุณกัลายาครับ การพรักพรากจากทุกสิ่งที่รักถ้าบรรลุทำแล้วจะไม่มีการเสียใจใช่ไหมคะทุกต้องคุณคริษฐาครับลูกเจอเข้อสอบแม่ต้องผ่าตัดและเจอคำดินทาของคนรอบข้างลูกคิดว่าตัวเองสามารถวางเฉยและชนะปัญหาต่างๆได้แต่เอาเข้าจริงแพ้รบาบคาบเลยคะ่ะจนจิตใจกระเจิงกลับมาปฏิบัติธรรมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยคะ่ะ กราบขอคำแนะนำพระอาจารย์ว่าเราควรกลับมาเริ่มที่ตรงไหนก่อนดีเพื่อจะให้ใจสงบลงได้คะทีส่สติไงพุโทโธพุโทโธไปพอใจพุ่งสร้างก็ใช้คำอะไรกันบพุทโธให้สวดมนไปจะกลัดจะหยุดคิดจะหยุดฟุ้งซ่านทำนะทำใจให้น่นงเป็นปกติัยก่อนแล้วก็นั่งสมาธิต่อดูลมหายใจเข้าออกจนจิตรวมเป็นสมาธินิ่งสงมีความสุขมีวเบกานะตอนนั้นหนักใจของเราจะมีความ หนักแน่น ม, มีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสได้คุณวุนเกิดครับกับผมภาวนามาตลอดแต่ตอนนอนหลับจะฝันเป็นประจำแสดงว่าจิตยังไม่สงบใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่คนที่เข้าสมาธิจิตสงบมันก็ยังฝันได้อยู่อาจจะไม่ฝันบ่อยนานๆที่อาจจะฝันสักครั้งหนึงคุณเจนครับ ปกติเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ถ้านั่งไปสักพักจะเกิดอาการตัวสูงมากๆค่ะแล้วจะเกิดอาการเวียนหัวเพราะตัวยืดสูงขึ้นไม่ยอมหยุดเลยค่ะพยายามขยับนิ้วให้รู้สึกตัวแต่มันเวียนหัวต้องแก้อย่างไรครับคือเมื่อมันเริ่มเกิอาการที่อาการตัวสูงขึ้นมาเราไม่ควรไปตามไม่ควรไปสนใจมันเราควรจะกลับมาอยู่การสวดมนต์เมื่ออยู่กับการทำลารของเราไปสวดมนต์เมื่อพุโทโธไป ถ้าเราไปตามอาการที่เกิดขึ้นมามันก็จะสร้างอาการ ต, ต่างๆตามมาเพราะมันเป็นการคิดปูแต่งของจิตนี่คุณนูตีแมนครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าทําไมพระองค์คุลิมานอารหันถึงไม่ต้องรับผลกรรมจากการที่ได้การได้จากการฆ่าแต่ทําไมท่านพระโมคลานะถึงไม่พ้นผลกรรมกลับบอกความเมตตาพระอาจารย์ครับ คือถ้าท่านกลัมมาเกิดท่านก็ต้องมารับกรรมต่อโมกขลีมาแต่ท่านไม่กลัมมาเกิดแล้วท่านก็อท่านก็รับผกลกรรมในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มีอยู่ชาวบ้านที่รู้จักท่านที่โกฎเกลียดท่านเวลาท่านผ่านไปทางห่้านเขาเขาก็เห็นหนด้เสี้ยงก็มีแต่เขาแต่เขาไม่ได้มาตามค่าท่านเหมือนกับพระโมกขลานะพระโมกขลานะนี้มีคู่มีศัตูกรบตามตา ม, ตามมาทันตามมาทัน กามาฆ่าท่านท่านท่านก็เลยต้องถูกฆ่าแต่ท่านถูกฆ่าครั้งครั้งสุดท้ายนี้เท่านั้นเองเพราท่านจะไม่กลับมาเกิดไม่มีร่างกายให้ใครมาฆ่าอีกต่อไปเช่นเดียวกับองค์ครุยมาพอตายแล้วก็ไม่กลับมาเกิดมามีร่างกายให้คนอื่นมาตากต่าคุณทิ้งครับนั่งสมาธินานปวดมากจะไม่ไหวใจมันคิดเวลาฉีดยาชาสลบมันก็ต้องปวดเหมือนอย่างนี้แต่ยาไปบล็อกให้เราไม่รู้สึก ปวดยังอยู่แต่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วปุ๊บปวดหายไปเลย20นาทีอย่างนี้ถือว่าเป็นปัญญาไหมครับก็เป็นผลที่เกิดจากการเราปล่อยวางได้จะเรียกว่าปัญญาก็ได้คุณมาริษาครับบอกว่ามีญาติใช้เทคนิคกโกงในการพ น, นันและได้เงินเป็นจํานวนมากไม่อยากให้ออทําแบบนี้จะมีวิธีการพูดอย่างไรให้เขาเลิกทําได้ต้องใช้วิธีการพูดแบบไหนขอความเมตตาพระอาจารย์ครับ ถ้าเขาไม่มาถามเราก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาลวเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปยุ่งกับทีวิตเขาเปล่ า, าคุณสมพรครับอยากทราบการปฏิบัติทำนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดจะได้รับอั น, นิสงส์อย่างไรบ้างครับอถือศีลแปดก็จะทําให้เราไม่ไปเสพ ร, รูปเสียงกลินต้นนั้นเองทาให้เรามีเวลาที่จะได้มาฝึกสตินั่งสมาธิเพราะถ้าเรา ไปม้วนเสก ร, รูปเสียงกินแ้วอยู่แล้วก็จะไม่มีเวลามามาจลาจสติมะนั่งสมาธินี่คืออันที่สการปฏิทินสิบแปพอปฏิทินสิบแปดแล้วไปอยู่วันนี้กินข้าเย็นไม่ได้นะหลังจากเที่ยงวันนี้เราก็มีเวลาที่จะมาปฏิบัติทําได้ไม่ต้องมากัวงวลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเย็นนะแล้วเราก็ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ติดต่อข่าวสารทําโน้อะไรทั้งหมดมันก็จะทําให้เราว่างมา เราก็จะมีเวลามาเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองนี่คือนี่คือประโยชน์จากการทักษาสิแปเพื่อจะได้ตัดกิจกรรมทางการไปให้หมดเมื่อเราจะได้เอาเวลาที่ใช้กับกิจกรรมทางการมาให้กับการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาต่อไปจากกรุงชายครับกลับเรียนถามว่ารูปฌานอารูปฌานคืออะไรครับคือการทาั้งหมดระดับต่างๆนะ เลานอนบริกรรมพุทธโถพุทธตัวแล้วดูามหายใจเข้าออกจิตก็จะเริ่มเข้าสู่ความสงบความคิดก็จะน้อยลงไปตามลำดับความคิดน้อยลงไปมันก็เป็นชาติขึ้นมาแล้วมันก็จะยิ่งน้อยลงไปก็ยิ่งก็มีชาติขั้นต่างๆวิือนกบเราเปลี่ยนเกียร์รถยนต์เนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์้ถยนต์เกียร์แรกเราวิ่งไปซักท่ามันก็จะเสียงดังพอเราเปลี่ยนเข้าเกียร์สมันก็จะเบาลงพอเปลี่ยนเข้าเกียร์สามมันก็ยิ่งเบาลง รอบๆมันหมุนน้อยลงอันนี้ก็เหมือนกันการทํางานของจิตก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่เราเข้าฌานขั้นต่นานๆจนถึงขั้นสุดท้ายคือขั้นที่โลดสมาบัติคือหยุดทํางานชั่วคราวการทํางนานของจิตหยุดอย่างเต็มที่ อันนี้มีคอมเมนต์นะครับคุณยุชิระครับเข้ามาขอบคุณพระอาจารย์หนูโชคดีมากที่ได้มาอยู่ใกล้พระอาจารย์และไปใส่บาตรพระอาจารย์ทุกวันหยุด <c oughs> และได้รู้ได้เห็นธรรมจากพระอาจารย์ดีกับชีวิตหนูมากๆจนไม่รู้จะอธิบายอย่างไรขอบคุณพระอาจารย์และทีมงานบางครั้งโดนมายาหลอกไปบ้างกับทางโลกมากๆก็ยังมี facebook ของพระอาจารย์ดึงสติเจ้าค่ะค่ะสาวุคุณแหมมครับ เวลามีเวทนาเกิดขึ้นจะแก้อย่างไงดีเจ้าคะ่ะไม่ต้องแก้ปล่อยมันเกิดเลยความพยายามไปแก้เนี่ย เ, เป็นการไปสร้างความทุกข์ให้กับเราทําอยากให้เวทนาหายไปนี้มันจะสร้างความทุกข์สร้างความเครียดขึ้นมาในใจชั้นหนึ่งที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่เวทนาสิ่งที่ทนไม่ได้ก็คือความเครียดที่เกิดจากการที่จะพยายามไปไปแก้เวทนาดังนัอย่าไปแก้เวทนายอมรับเวทนา ปล่ายให้มันมาเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาไม่กับฝนตกแดดออกที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้พอเราอยอมรับเป็นได้เราก็ไม่เครียดกับมันแต่ถ้าเราไม่อยากให้ฝนตกที่เราจะเครียดขึ้นมาทันทีเมา่อไดกังวลว่าฝนจะตกคุณนั่งหลินครับพอหนูผ่าสมองเปิดกะโหลกสี่ครั้งก่อนหน้ารถคว่ำไส้แตกหลังหัก ค้นกบแตก อ, อวัยวะจากสาสิบสองจนร่างกายพิการจนปัจจุบันหนูซ้อมตายเจ้าค่ะแต่ยังไปทํางานได้ปกติพระอาจารย์สิ่งที่เห็นคือสิ่งคิดไปเองไหมเจ้าคะเหมือนร่างกายเป็นบ้านและรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านเลยสัมผัสความร้อนความหนาวไม่ได้อันนี้สัมผัสถูกจุดไหมเจ้าคะมันก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความจริงเพียงแต่ว่าเราจะทําใจตามความเป็นจริงได้หรือไม่เวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรกับกับร่างกายของเรา เราต้องใช้ความคิดเนี่ยที่คิดตามตรงตรงตามหลักของความเป็นจริงแล้วดูว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วเราจะทำใจตามตามความเป็นจริงนี้ได้หรือเปล่าคือมองร่างกายเราเหมือนมองร่างกายของคนอื่นได้หรือเปล่าร่างกายคนอื่นเป็นอะไรเราไม่เดือด้อนฉันใดแล้วก็ไม่ควรจะเดือดร้อ น, นกับร่างกายของเราฉันนั้น คุณแทนใจครับหากเรามีเรื่องทุกข์ใจแล้วพยายามไม่คิดปล่อยมันไปตามเรื่องการที่เราปล่อยวางพิจารณญเรื่อยๆช่วยได้ไหมคะถ้าเราไม่คิดถึงมันมันก็ไม่ทำให้เราทุกข์แต่มันถ้าเราเผลอไปคิดถึงมันเมื่อไหร่มันก็ยังจะทุกข์อยู่เพราะเรายังไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญาเรเพียงแต่หยุดคิดเราปล่อยด้วยสติการที่เราจะไม่ทุกข์กับเรื่องนี้เราไปเจริญว่ามันมันไม่ใช่เป็นขงเรา อะไรจะเกิดข <cin stereotype> ึ <award> ้น <dragging> มันไม่ไ <ghetto> ด <jack ata> ้เกิดขึ้นกับเรามันไม่ใช่เป็นของเราเั้นเราอย่าไปทุกข์กับมันถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นของเราไม่ใช่เกี่ยวกับเราเราก็จะไม่ทุกข์ทุกครั้งที่เราคิดถึงมันเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ทุกข์พราเราหยุดคิดถึงมันแต่พอเรากลับมาคิดถึงมันเราก็จะทุกข์คุณปุนแม่ครับ การบำเพการพระจารค่ะพอนึกว่าเรามาจากฝุ่นละอองดินละอองน้ําลมและความชื้นและต้องกลับไปเป็นเหมือนที่มาทําให้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรอีกการบำเพ็กา ร, การพระจารย์ที่กลูนานแนะนําให้อยู่ในศีลแปตลอดไปตอนนี้เกือบครบปีแล้วเจ้าค่ะและจะอยู่อย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตครับนนะธคุณเมตตาครับเคยไปวิปัสสนาและเห็นว่ามีแต่ความทุกข์อยากจะออกจากทุกข์ จึงเอาขวดตีหัวตัวเองแต่หัวไม่แตกขาดและไม่เจ็บตีแรงอยู่ค่ะอยากทราบว่าจะบาปไหมคะไม่บาปทั้งนั้นมันมันมันมันมันโง่ไปตีหัวทำไมเพราะว่าหัวมันไม่ได้เป็นเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้องไปตีกิเลสที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กันเราคือความอยากต่างปลาฆ่าปิดตัวเหมืนคนที่ฆ่าตัวตายทุกข์ใจเพราะเพราะว่ า, เ พ, า, วาเพราะร่างกายไม่สามารถทําอะไรที่เราต้องการ ถาให้ทำได้เราก็เลยไปฆ่าร่างกายแต่ตัวร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ตัวที่ทําให้เราทุกข์คือคือความอยากอยากอยากได้นู่อยากได้นี่อยากทำนู่อยากทํานี้แต่รางกายมันพิกรพิการทําไม่ได้ก็เลยไปโทษร่างกายเราไปฆ่าร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันกระตีหัวมันไม่ได้ไปทําให้ใจเราหายทุกข์มันจะหทกต้องไปตีกิเลสตีความอยากหยุดความอยาก คุณพลอยเลิศครับเวลานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตเห็นร่างกายหายใจเข้าและออกเห็นจิตและและกายเป็นคนละส่วนกันขอคำแนะนำเพิ่มเติมในการปฏิบัติเพื่อเดินปัญญาค่ะการนั่งสมาธินี้ไม่ใช่เป็นการนั่งเพื่อให้เห็นปัญญาการนั่งสมาธินี้เพื่อให้ใจหยุดคิดให้ให้จิตหยุดคิดให้จิตสงบแล้วเวลาจิตสงบแล้วใจกับร่างกายมันจะแยกออกจากกันโดยที่เราไม่ต้องไปคิดมันจะเห็นแบบ ชัดๆอย่าไปนั่งคิดว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันอันนี้ไม่ใช่เป็นการฝึกสมาธิเป็นการฝึกปัญญาแต่มันก็ยังเป็นวามฝึกแบบจินตนาการอยู่มันยังไม่ได้เห็นของจริงจเห็นของจริงที่ต้องทำจิตให้นิ่งสงบแล้วจิตกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาคิดว่าร่างกายกับจิตไม่ได้เป็นกับชนเดียวกันได้เพราะเราเห็นความจริงแล้ว เอาเพียงแต่มาตอบย้งความจริงนี้มาให้เราลืมนะนี่แต่ถ้าเรายังไม่เห็นความจริงอยู่แล้วก็ยังเป็นการจรินตนาการอยู่มันก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าเป็นอย่างที่เราคิดหรือไว่คุณมารตรีครับใจกับกายมาพร้อมกันแต่แยกกันอยากทราว่ากายเด็กใจก็ยังเด็กใช่ไหมคะ กายมีอายุขึ้นใจก็มีอายุขึ้นหรือเปล่าเช่นตอนเราเป็นวัยรุ่นใจก็คิดอีกแบบหนึ่งพออายุมากก็จะคิดไปอีกแบบหนึ่งครับอาม่หรอกใจนี้มีอายุไม่รู้กีแสนล้านปีแล้วใจเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กีแสนล้านล้านนะเนีในใจนี้มีอายุมากากว่าร่างกายเยอะแย ะ, ยะไปหมดเห็นแต่ว่าศักยภาพของร่างกายมันเลยไปทําให้ใจนี่ต้องอยู่ภายใต้ศักยภาพของร่างกาย เช่นตอนมันเด็กจะให้มันทับตัวเป็นผู้ใหญ่ก็ทําไม่ได้ให้ไปเที่ยวแบบผู้ใหญ่ก็เที่ย ว, ยวไม่ได้เพราะมันยังเป็นเด็กอยู่ร่างกายมันไม่ตอบสนองความอยากของผู้ใหญ่มันก็ต้องมีพัฒนาการไปตามตามวัยของร่างกายไม่ได้หมายควาว่าร่างกายกระจายนี้มีอายุพร้อมพร้อมกันเท่ากันเช่นร่างกายมีอายุหนึ่งปีใจก็มีอายุหนึ่งปีอันนี้ไม่ใช่ ยายนี่มอยุไม่กี่แสนล้านปีแล้วคุณวิมลครับการที่เรายกกิจการให้ลูกหมดเพื่อปล่อยวางแต่พอลูกงานยุง่งเราก็ยังคงช่วยเหลือถือว่าเรายังไม่ปล่อยวางใช่ไหมคะถ้าปล่อยวางจริงๆก็ไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาปล่อยให้เขาทําันก็สมมตว่าเราตายไปแล้วอย่างเงี้ยนี่เราปล่อยวางจริงๆหรือว่าจะช่วยเหลือเขาก็ได้ถ้าเราไม่ทุกข์ การที่เราไปช่วยเหลือเขาอยากที่เราไปช่วยเหลือ ว, ว่าเราทุกทนดูไม่ได้นี่ก็แสดงว่าเราอย่างไม่ปล่อยวางคุณแพตครับทุกอย่างไม่มีตัวตนรวมทั้งตัวเราเองทําข้อนี้จะสอนจิตยอย่างไรให้เข้าใจมีความคิดย้อนกลับว่าก็เราเห็นว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะไม่มีตัวตนได้อย่างไรครับ อ, อ๋อลองต้องทําเป็นพันๆไปนลยไม่ใช่ ขั้นแรเราต้องมองของทุกอย่างที่เรามีอยู่ว่าไม่ใช่เป็นของเราคัะแล้วค่อยมาดูที่ร่างกายของเราร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราของเรามันมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาเราเพียงแต่มามาอาศัยหรือมาใช้ร่างกายนี้พาให้เราไปทําอะไรต่างๆ ท, ที่เราต้องการจะทําเท่านี้เองต้องต้องต้องปล่อยไปขั้นๆไป มาปล่อยร่างกายได้โน่นถึงต้องมาปล่อยจิตอีกทว่าจิตก็ไม่ใช่เราลาวนี้เกิดจากความคิดของจิตขึ้นมาเป็นจินตนาการอันจริงไม่มีไม่มีเราเหมือนโลกนี้มันไม่โลกเมื่อสมัยก่อนคนเป็นจินตนาการว่าโลกนี้แบนอันจริงโลกมันไม่แบนแต่ความคิดมันไม่คิดว่าเป็นแบนก็เยเชื่อกันอันนี้ก็หมือนกันจิตก็ไปคิดว่าตนเองเป็นเป็นจิตเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นลาวขึ้นมา จริงมันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเพราะเราทําจิตให้สงบเราก็จะเห็นว่าตัวเราก็หายไปครับหายไปกับความคิดพอเราเริ่มกลับมาคิดใหม่ใหม่คำตัวเราก็กลับมาใหม่เท่านั้นเองเราก็สรุปได้ว่าตัวเราไม่มีเพราะตัวจิตจริงๆมันเป็นเพียงแต่ตัวรู้ตัวคิดเท่านั้นเองเพียงแต่มันเป็นคิดเป็นจินตนาการว่ามีมีเราขึ้นมาเนั้นเองเป็นจินตนาการว่า ผ, ผู้ที่คิดนี้ผู้ที่รู้นี้เป็นเป็นตัวเรามันไม่มีคุณสรันปกรณ์ครับถ้าเราให้ของคนที่เขาให้เท่าไหร่ไม่รู้จักพอเราควรให้เขาต่อไปหรือว่าเลิกให้ดีครับการให้มันก็อยู่แล้วแต่แตเราว่ามีเหตุผลถ้าเราเป็นหนี้เราก็ต้องให้เขาไปเรื่อยๆนะถ้าเราเ ร, เ ร, เรเยังเป็นเปห น, น, นี้เขาอยู่เราก็ต้องให้เขาไปเขาจะพอไม่พอเป็น เ, นเรื่องของเ แต่ถ้าเราต้องใช้นี่เช่นถ้าเราเขามีเขามีบุญคุณกับเราเนี่ยเราก็ต้องใช้ใช้ใช้นี่บุญคุณให้กับเขาไปถ้าถึงเวลาที่เราต้องใช้เราต้องใช้เนี่ยอันี้ส่วนก็จะพอไม่พอนี่ไม่ใช่เรืเร่องหรอแต่ถ้ามันขอทานมาขอเราอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยวันนี้ก็มาขอพวกนี้ก็มาขอถ้าเราต้องการให้หยุดเขาต้องก็ให้เขาหยุดมาขอเร า, เราก็เราก็อยากให้เขาเขาก็จะไม่มาขอเราอีก คุณกันทดาครับขอความเมตตาเจ้าค่ะนอนแล้วฝันเห็นพ่อที่เสียแล้วพ่อถามว่าลูกว่าการปฏิบัติถึงไหนแล้วรักโลภโกรธหลงเพราะตอนพ่อมีชีวิตอยู่ท่านบวชแปดพรรษาอันนี้เป็นนิมิตหรือเปล่าเจ้าคะจอมความบันก็เป็นนิมิตอย่างนั้คุณใหม่ครับขอถามว่าการดื่มไวน์เพื่อสุขภาพวันละแก้วผิดศีลไหมครับผิดแม้แต่หยดเดียวก็ผิด เพราะว่าถ้าไม่มีข้อห้ามวาเด็กเพื่อสุขภาพได้ครับคุณมาได้ดีครับบอกว่าพระขับรถได้ไหมครับในสมัยพุทธการไม่มีรถอะไรไม่มีข้อห้ามสมัยนี้อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของจิตสํำนึกอของพระวันนาคูบาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนทั้งหลายก็ไม่ใช่ท่านขับรถคับท่านคุณเราก็ต้องมาถือแบบฉบับของท่านมันเป็น เ ป, เป็นแนวทางของการปฏิบัติหลวงปู่มัม่นก็ไม่ได้ขับรถหลวงตาหล้ารัวท่านก็ไม่ได้ขับรถงั้นถ้าท่านไม่ขับก็ถือว่ า, าพระก็ไม่ควรขับตามท่านถ้าอยากจะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณนันทิชาครับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าขณะปฏิบัติธรรมมีนิมิตเห็นคนจะมาทําร้ายเราเหมือนจริงมากเราต้องกลับมาอยู่ที่ลมหายใจยอมตายไปเลยถูก ต, ต้องไหมครับ แ้ต่ถ้าเรายอมตายไปได้ก็ก็ดีจะได้จะได้ปล่อยวางร่างกายได้คุณดวงใจครับบาทที่พระท่านใช้อยู่ผู้หญิงไปจับไปอุ้มยกไปถวายพระได้ไหมคะคือโดยประเพณีนี้ทางทางศาสนาไม่อยากให้ให้ให้ญาติโยมผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกับพระโดยตรงแม้แต่การถวายของก็ไม่ให้จับ ไม่ให้ถอยด้วยมือให้ผ้าไม่ให้เลาะด้วยมือให้ใช้ผ้าทอดอีกทีหนึง่งเพื่อการป้องกันโอกาสที่จะไปแตะเนื้อต้องตัวกัดขึ้นมาได้เพราะเพศตรงกันข้างนี้มันไปแตะเนื้อต้องตัวนี้มันอาจจะทําให้เกิดไฟลุกขึ้นมาได้ก็เลยไม่นิยมให้สภาพสตินี้มาเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผ้าไม่ให้มาแตะต้องของบริการต่างๆของใช้ของผ้า คุณรังสีครับคนที่สมองตายแล้วแต่ยังมีเครื่องช่วยหายใจอยู่จิตยังอยู่กับร่างไหมครับถ้าที่เข้าใจนะคิดว่าถ้ายังร่างกายยังไม่ตายยังมีละบหายใจอยู่ก็ไม่ถือว่าจิตก็ยังไม่ออกจากร่างเพียงแต่ว่าเมือกับการชำรุดของอวัยวะเช่นตับดูตายไม่ทํางานนี้แต่ถ้ายังมีละบหายใจอยู่นี่ก็ยังถือว่ายังมีชีวิตอยู่ตามหลักของของธรรม ในสมัยนี้ก็ถือว่าถ้าสมองตายแล้วถือว่าตายอันนี้เป็นการสรุปของเพื่อที่จะเอาเ อ, าอาวัยวะมาใช้ต่อท่นเองของแพทย์เขาแต่ความจริงแล้วยังไม่ตายการไปตัดหัวใจออกมาเนี่ยถึงทําให้เขาตายนี่ว่าเป็นการฆ่าเป็นการบานาติบาถึงแม้ว่าจะมีเจตนาดีเพื่อที่จะไปใช้ช่วยชีวิตคนอื่น การทำมาชีวิตของคนหนึ่งเพื่อไปช่วยชีวิตของคนอีกคนหนึ่งมันมันไม่ถูก <c oughs> ต้องร้อยเขาตายจริงๆริงให้เขาหยุดหายใจจริงหยุดลมหายใจแน่นิ่งไปไม่มีการรับรู้อีกต่อไปคุณวัชระครับก <c oughs> ารที่เราโลภน้อยโกรดน้อยชอบอยู่คนเดียวแล้วถือว่าศึก สาธธรรมพัฒนาขึ้นใหม่ครับและนั่งสมาธิได้บ่อยและนานขึ้นแต่ยังไม่ตกหลุมตกบ่อขอคําแนะนําพระอาจารย์ครับก็ถ้าเรานั่งสมาธิได้มากขึ้นบ่อยขึ้นความหิวความอยากก็จะน้อยลงไปนั่นเองความโ่วมความโกรธความหลงก็จะเบาบางลงจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับการนักชการพระอาจารย์เจ้าข่าลุกได้ไปปฏิบัติธรรมช้ามืดวันหนึ่งเดินจงกรมยังไม่สว่างดีระหว่างเดินไปมาจิตสงบเย็นจู่ๆเสียงดังตับ ลูกหยุดอยู่กับที่มีตุ๊กแกตกลงมาตรงหน้าต่างคนต่างมองตากันนิ่งลูกเลยถามเบาๆว่าเจ็บไหมก็ยังหมอบนิ่งๆลูกเลยขยับเท้านิดนึงเขาเลยหันหน้าครานไปขึ้นบนฝาผนังกุฏิหมายเหตุทําไมไม่ทําร้ายหรือตกใจค่าช่วงบ่ายฟังธรรมพระอาจารย์บ่ายสองแล้วออกไปเดินจงกรมจิตสงบเดินไปเดินมามีคติถามว่าเกิดมีเสือกระโจนจากป่ามาจะทําอย่างไรจิตคิดว่าระหว่างหันจบแค่นี้คราาับอาจารย์ คือถ้าเรามีอุเบกขาใจเราจะนิ่งเฉยเราจะสักแต่ว่ารู้เห็นอะไรเราก็จะรู้เฉยเฉแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขานี่ยเราจะมีปฏิกิริยาทันทีคุณอันธิวาครับพระอาจารย์เคยบอกว่าไม่ควรตามครูบาอาจารย์หลายหลายรูปให้สับสนควรเลือกครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตเราเพียงรูปเดียวแล้วเกาติดทำตามคําสั่งสอนของท่านไปเลยจึงจะได้ผลใช่ไหมครับก็ มันถ้ามีครูบาอาจารย์หลายเรื่องแล้วถ้าท่านอาจจะสอนไม่ตรงกันนี่มันก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับลรงได้เพราะการทําสมาธินี่มันมีอุบายหลายวิธีด้วยกันบางคนก็ใช้พุโทโธบางคนก็ใช้ดูลงหายใจเข้าบางคนมีก็สอนให้ดื่มน้ํำเย็นๆก่อนแล้วค่อยนั่งสมาธิร่างกายเย็นแล้วใจก็จะเย็นด้วยอันนี้มันก็มีวิธีการที่แตกต่าง แต่เป้าหมายก็ได้อันเดียวกันคือทํานําใจไปสู่ความสงบหรือถ้าเราไปศึกษาหลายวิธีน่าจะต้องเวลาเราปฏิบัติเราต้องเรื่องวิธีใดวิธีนี้เราจะลองหลายวิธีก็ได้บางท่านก็อา จ, จะทำให้เราเสียเวลาไปก็ได้แต่ในเรื่องต้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าวิธีไหนถูกกับเราเราก็อาจจะต้องไปศึกษาจากครูบาอาจารย์หลายรูปฝ่ายก็ได้แต่เมื่อในที่สุดได้ข้อสรุปว่าอาจารย์รูปนี้สอนตรงกับเรา เราได้รับประโยชน์จา ก, การสั่งสอนของท่านเราก็ควรที่จะกาะเด็กับท่านไปศึกษาจากท่านไปด้วยว่าเราจะคิดว่าท่านไม่สามารถสอนให้เราไปไกลกว่า น, นี้ได้เราก็าจจะต้องเปลี่ยนอุราะคบาจารย์บางรูปบางท่านอาจจะมรรลุธรรมไม่ขั้นแต่ละขั้นไม่เท่ากันไปได้บางคนเป็นเพียงแต่สวดาบนบางคนเป็นสกิราคาบางคนเป็นอนาคาพอเราเรียนจบจากท่าน ยังมีขั้นที่สูงกว่าท่านสอนไม่ได้เราบ้าจะต้องเปลี่ยนอาจารย์ไปหาอาจารย์ที่สูงกว่าแต่ถ้าไปเจออาจารย์ที่สอนถึงขั้นสูงสุดได้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอาจารย์ก็ได้คุณทวีวัตรครับผมฝึกสติทุกๆวันทุกเวลาแต่เวลาเจออาหารอร่อยอร่อยผมแพ้ตลอดเลยครับบอกตัวเองว่าให้กินแบบพอดีนะแต่ก็กินจนจุกตลอดเลยครับแก้ยังไงดีครับให้รู้ทันเวลาเรากินของอร่อยครับ เวลาเราเคี้ยวของอร่อยแล้วเราคลายมันออกมาดูหน้าตามันก่อนอแล้วตัดเข้าไปกินใหม่ที่เวลาเคี้ยวของมันเลยอรลอยก่อนจะกินก่อนดูหน้าตามัน่อยที่ว่ากวามมันเลยอร่อยนี่หน้าตาเป็นยังไงคลายมันออกมาอ่าดูแล้วก็ค่อยตัดเข้าไปใหม่อยูที่จะตัดเข้าไปใหม่ได้ไหมไม่ได้ไม่อเรา่อยเราตัดไม่ได้ ก็หลังจะเกินมันอยู่แล้วก่อนจะเกน <c oughs> ขอดูหน้าตามันหน่อยครัคุณสเนตบอริงครับเวลาหนูมีข้อสงสัยก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้นแนะหนูรู้สึกขอบพระคุณมากๆเลยคราบสิ่งที่ได้จากพระอาจารย์ละครูอ า, าจารย์ทุกท่านประเมินค่าไม่ได้ครับคุณจุดธามาสครับอยากขอสอบถามพระอาจารย์ในเรื่องการได้ฌานหนึ่งถึงสี่กับการบรรลุธรรม การที่เราจะบรรลุธรรมได้นั้นเราต้องได้ฌานด้วยหรือไม่คะคือตามปกติเราต้องมีอุบเบกขาก่อนที่เราจะไปทานปัญญาเพื่อบรรลุธรรมได้งั้นการที่เราจะได้อุบเบกขาก็ต้องเกิดจากการเข้าฌานให้ได้ถึงฌานสี่ให้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าบางคนที่อาจจะมีอุบเบกขาที่ได้มาจากชาติก่อนแล้วบางทีก็ไม่ต้อเข้าฌานมาได้พิจารณาธรรมมีดวตาแห่งธรรมขึ้นมาอันที อย่างเวลาที่พระเจ้าทรงแสดงทับขั้นแรให้กับพระบรรจรวาขีก็ไม่ได้สอนให้เขาต้องเข้าฌาเนเพียงแต่สอนอริยสัจสี่ให้เขาเห็นว่าทุกเกิดจากอะไรพอก็มีฌานเขามีโมเดียร์เขาเขาก็หยุดความอยากได้เขาก็เลยไม่ทุกข์ได้เพราะฉะนั้นจะพูดว่าต้องต้อ ง, ต, องต้องได้ฌานก่อนหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องมีก่อนแต่ถ้าได้มาจากฌานก่อนแล้วก็ไม่ต้องมีในฌะานนี้ก็ได้ ถ้าใจมีฌ า, านใจ น, นิ่งสงบใจเนมนูเวคามารู้ว่าความอยากเป็นตัวปัญหาก็หยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องเข้าฌานได้แต่ถ้ารู้ว่าความอยากเป็นตัวปัญหายังหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องเข้าฌานก่อน ค, คุณแต้มสีครับดิฉันไม่เคยคิดเรื่องการเจริญปัญญาเพื่อหลุดพ้นเลยค่ะเพราะเข้าใจว่าต้องใช้กําลังสมาธิกําลังวิปัสสนาญาณเช่นพิจนารณาอาการสาม พิจารณาสุภาษะคิดว่าคงจเจริญปัญญาได้แต่เรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจําวันที่เราต้องเจอคิดถูกหรือคิดผิดครับ อ, อ๋อมันถ้าจะบรรลุธรรมได้มันต้องพิจารณาไตรลักต้องพิจารณาอสุภาษะอะไรแบบนีต้องพิจารณ า, ามถึงจะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ทําไมพิจารณ า, ม, ม, า, า, ม, า, รณามันก็จะบรรู้ไม่ได้ คุณวีระชัยครับการสวดมนต์ต้องสวดบาลีคู่คําแปลภาษาไทยด้วยดีครับกาบเรียนถรมพระอาจารย์ครับคือถ้าเราต้องการสวดเพื่อเจริญสติเราสวดบาลีอย่างเดียวก็ได้นะไม่ต้องเข้าใจความหมายของการบทที่สวดการใแต่การใช้การสวดนี้คอยบังคับควบคุมให้เราไปคิดเรื่องอืง่นเท่านั้นเองคือเป็นการหยุดความคิดเป็นการเจริญสติแต่ถ้าเราอยากจะ เข้าใจความหมายของบทที่เราส่วนว่า ม, มีความหมายว่าแล้วเราก็ต้ง อ, องอ่านคอมแปดด้วยศึกษาคอมแปแมดเพราะบทส่วนบนส่วนใหญ่นี้เป็นพระสูตรของพระพุทธเจ้าเป็นเทศนาของพระพุทธเจ้าอย่างที่บรรจเป็นจ า, กนจากรกสูตรเนี่ยที่ให้ใส่ภาษาไทยอย่างเดียวเพื่อให้เราเข้าใจโดยที่ไม่ต้องใส่ภาษาบาลีเพราะมันเป็นบทสอนเป็นคํำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าเป็นการแสดงธําของพระพุทธเจ้า เนื่องจากพระองค์ท่าใช้ภาษาบาลีเขาควรจะรักษาภาษาบาลีไว้ให้คงงสภาพเดิมไว้แะไรก็มีคําแปลเผื่อที่คนที่อยากจะเข้าใจความหมายของพระสูตรนี้ว่าเปความหมายอะไรก็อ่านที่คําแปลได้คุณประชาครับผู้ที่บวชแล้วไม่ปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติแล้วไม่ได้บวชแบบไหนดีกว่ากันครับไม่ต้องอยู่ที่ปฏิบัติเนี่ย วาจะบรรลุทำยากก็ต้องอยูดที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การฝึกและไม่ฝึกคุณมาลาทรี ree, ครับตั้งแต่ฝึกนั่งสมาธิมาไม่เคยง่วงเลยค่ะพอถอนออกจากสมาธิก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปเรื่อยๆจนนอนไม่หลับคืออะไรครับก็แสดงว่าจิตเราคิดมากเกินไปถ้านอนไม่หลับเราก็ต้องหยุดคิดกลับมาทํำสมาธิก็ให้จิตหยุดคิดจะได้นอนหลับได้ เอเวลาใช้ปัญญาที่มันใช้แล้วมนก็มันก็ติดปัญญาหรือเราเรียกว่าติดสังขารติดความคิดเมื่อถึงเวลาถึงเวลาเราก็ต้องหยุดคิดก็ต้องกลับมาทำสมาธิก่อนนอนพอทำสมาธิพอหยุดพอเย็นหยุดคิดจิตก็จะหลับไปคุณภูทรครับมีข้อสงสัยว่าถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาทางโลกมากกว่าทุกคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นเสาหลักในการช่วยเหลือพี่น้องลูกหลานแต่เราต้องทําการที่ทํางานให้น้อยลงและศึกษาธรรมและฝึกปฏิบัติทําให้มากขึ้นในกรณีนี้ควรทําเช่นไรดีครับก็อบอกเขาว่าใจอัตโนอัตนเถอะซตอนเป็นที่เพื่อนคงตนราคาปัจจานี้อาจจะเพิ่มไปตลอดเวลาไม่ได้วนนันดีกืนดีข้าวปจาัจจ้าอาจจะตายไปก่อนก็ได้ยังขอให้ทุกท่านทั้งหลายจงพยายามยึดตนเป็นที่เพื่อนคงตน ยมาเพิ่ม อ, อันตราเลยพอแล้วอันตราจะได้ไปทัพติจสวดตัวได้บ้าง้าคุยกันดีๆก็บอกเขาดีๆคุณเอกชัยครับการฝึกหยุดคิดระหว่างการอาบน้ำกินข้าวว่างๆเราใช้การสวดอิติปิโสในใจได้ไหมครับได้จะใช้พุโทโธก็ได้อิติปิโสก็ได้เหมือนกันข้อที่สองครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าครับ ใจเราสงบมากขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นสบายใจมากขึ้นทำรูปความโกรธความอยาก ต, ต่างน้อยลงไปการถือศีลแปมีเพิ่มจากศีลห้าอะไรบ้างครับก็ศีลข้อสก็เปลี่ยนจากกา ร, ระพฤติผิดประเพณีมาเป็นไม่ไม่มีการร่วมหลับนอนกับใครเป็นธบบรมนรมนัติจารยาแล้วก็เพิ่มข้อ6คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วข้อ7ก็คือไม่ดูมหันเทิงต่าง รวมทั้งการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงการเสริมสวยความงามของร่างกายโดยการแต่งเนื้อเสือเ้อแต่งเนือแต่งตัวเสริมเสริความงามนหรือใช้น้ำหอมน้ำมันต่างๆและข้อที่แปดก็คือนอ น, น, อนบนนอนบนเตียงที่ไม่สบายคือนอนอ น, นเตียงที่มีเงินพื้นแข็งไม่นุ่มไม่สบายเพราะไม่ต้องการให้นอนมาก คุณประชาครับคนที่ทำบาปโดยครั่งเพราะเสพยาหรือสติไม่ดีกฎหมายว่าขาดสติไม่มีความผิดทางธรรมยังมีวิบากไม่ดีหรือไม่ครับมีการทำบาปไม่มีสติมันก็บาปแต่ถ้ามันมันมีสติเนี่ไแด้ว่ามันยับยั้งการทาผิดไม่ได้เท่านั้นเองถ้าไม่มีสติจริงๆต้องเป็นคนตายไม่เคนนอนหลับเท่านั้นถึงจะเรียกว่าคนไม่มีสติ ถ้ายังทำอะไรได้อยู่ในสณ า, ายังมีสติยังรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่เพียงแต่ยย้ำๆการกระทำนั้นไม่ได้เนทะ่านั้นเองว่าสติไม่มีกำลังน้อยอย่าไปว่าไม่มีสติเลยเรียกว่าสติไม่มีกำลังพอที่จะหยุดการกระทำที่ไม่ดีได้ครับคนที่ได้มีสติขาดสติจริงๆต้องไม่คนคนเฉลบสลายคนนอนหลับหรือคนตายนะอันนั้นสุดสติสุดไปเลย คุณสมพรครับการเห็นตัวเองเหนื่อยล้าขาลากเมื่อยปวดเป็นไปตามวัยไม่เหมือนตอนหนุ่มๆการเห็นเช่นนี้ของตัวเองถือว่าเป็นการเจริญสติปัญญาการเจริญจิตตภาวนาของตัวเองเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถ้าเป็นทุกข์กับมันถ้าเห็นว่ามันปวดมันเมื่อยก็ไปทุกข์กับมันก็จะแสดงว่าไม่เมืป็นปัญญาถ้าเห็นว่าไม่ทุกข์กับมันยอมรับสภาพการเป็นจริงก็งเรียกว่าเป็นปัญญาปัญญามีไว้เพืให้ใจเราไม่ทุกข์ เพื่อสอนใจให้เรายอมรับกับสภาพควาเป็นจีงของหน้ากายเี่มันต้องแก่ต้องเจ็บไายได้ป่วยแลวต้องตายไปใ น, น, นที่สุดคุณพันธิวาครับมารดาอายุมากแล้วแต่ยังมีพี่ๆคอยดูแลถ้าจะไปบวชเพื่อให้ได้ไม่กลับมาเกิดอีกเป็นการกระทำที่ถูกต้องไหมครับเพราะเราไม่ได้ดูแลท่านในเพศคารวะแล้วครับเราก็เราไปบวชไม่ได้ไปบวชแบบ ถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องนึก้ึงพ่อแม่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้เราอาหารบิณฑบาตนี้ไปแบ่ให้พ่อแม่ได้แต่ถ้ามีคนดูแลอยู่เราก็ไม่จําเป็นต้องดูแลท่านเราก็ไปบ่ดได้คุณเป็กกี้ครับเพราะทุกจึงเห็นธรรมคนที่มีความสุขจะมีวาระไหนที่ดวงตาเห็นธรรมเจ้าคะก็ต้องไปเห็นความทุก ข, ข์ก่อนฉาาันพระพุทธเจ้าเลยต้องไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย เราเนาะน้อมเคนแก่คนเจ็บคนตายนี้มาที่ร่างกายของเราว่าต่อไปแเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วความสุขที่กายมีอยู่มันจะหายว่างไปหมดเลยเพราะเราคิดว่าต่อไปเราแก่เนี่เราจะไม่สามารถทําอะไรทด้อย่างที่เราทําอยู่ได้ในขณะนี้เราก็จะเริ่มมีดวงกายเห็นธรรมนะ คุณพนรัตน์ครับเราฟังธรรมแล้วจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมของพระอาจารย์แทนการบริกรรมพุทโธถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมครับก็เป็นการวิธีฝึกสมาธิในรูปแบบหนึ่งแทนที่จะใช้คําบริกรรมนั้นเราก็ใช้เสียงธรรมเป็นเครื่องขรอบใจแทนก็ได้ถ้าเรามีสติอยู่กับการฟังใจแล้วก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนองี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สงบอย่างเต็มที่ หลังจากที่เราฟังธรรมเสร็จถ้ า, าอยากจะให้มันสงบมากกว่า น, นี้เราก็ต้องนั่งแล้วดูลองหายใจต่อไป ค, คุณกัลยาครับจิตว่างโดยไม่ได้นั่งสมาธิเป็นไปได้ไหมครับจะเรียกว่าอย่างไรครับมันก็เป็นบางครัง้งบางเวลาเป็นไปได้บางทีอยู่ดีๆจิตของเรานี่อาจจะหยุดเกิขึ้นมาก็ได้ด้วยสาเหตุอะไรหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่มันก็เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็น เหตุการ์เฉพาะออ ก, กิจท่านึงไม่ได้เป็นไปได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการเราต้องการที่เราต้องฝึกสมาธิเราถึงสามารถทําจิตให้ว่างได้ตลอดเวลาตามความต้องการครับคุณยูริครับเวลาหนูนั่งสมาธิจะหลับตลอดเลยค่ะบางทีหนูเลยปล่อยให้หลับไปก่อนสักระยะหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรต่อเหมือนอยู่ในห้องโล่งๆค่ะ ไม่รู้การปล่อยให้หลับไปก่อนแล้วตื่นแบบนี้ทําได้ไหมหรือไม่ควรทําเจ้าคะได้ถ้ามันจะหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปแต่พอมันตื่นขึ้นมาเราก็ต้องมีดูควหมายใจแล้วพูดถกไปไม่อยากตื่นขึ้นมาเราไม่รู้จะทํำอะไรก็าาาา ท, าา ท, ทํัมาปัดก็มาทําสมาธิต่อนี่เมื่อตอนที่เราทําสมาธิตอกต้นเราง่วงก็ปล่อยให้มันหลับไปได้ถ้าทําไม่ได้ก็ปล่อยให้มันหลับพอมันตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มทําสมาธิใหม่ คุณสุขสวัสดิ์ครับบอกว่าจิตว่างตอนเกิดหรือตอนดับยังมีเกิดมีดับว่างได้ยังไงครับจิตไม่ไม่ว่างถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่มีสติไม่มีสมาธิคุณซีเครับจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในนมเปรี้ยวโปรไบโอติกและไปไขป่ปลามีดวงจิตหรือไม่ถ้าเรากินไปจะเป็นการผิดศีลข้อหนึต้องชดใช้กรรมหรือเปล่าครับไม่มีครับจิตจะไม่ก่อ กับร่างกายที่ต้องมีอยายตนะทั้งห้าไม่ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายเช่นต้นไม้นี่จิตจะไปเกาะไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรให้มันเกาะจิตมีวิญญาณที่จะไปเกาะกับรูปตาหูจมูกเล่ น, นกายได้อาสิ่งใดที่มีชีวิตถ้าไม่มีาอยายตนะทั้งห้านี้จิตก็จะไม่ไปเกาะคุณวีนาครับเรียนถามว่าคนเราสวยหล่อเกิดจากทําบุญ ดีมาใช่ไหมและหน้าตาของคนใครกําหนดครับบุญก็มีส่วนแล้วก็พัน์ของร่างกายก็มีส่วนก็ได้พันไม่ดีบุญถึงแม้จะมีบุญมันก็ไม่เช่นไปเกิดเป็นคนผิวดำนี้แต่ในคนผิวดําก็เป็นคนที่สวยกับคนคนที่ไม่สวยก็มีใช่ไหมส่วนต่างอันนี้แหละอาจจะเป็นเพราะบุญ ถึงแ ม, ม้จะเป็นผิวดำเหมือนกันแต่คนผิวดำคนนี้สวยกว่าอีกคนหนึ่งอันนี้เราก็จะถือว่าบุญนี้มีสวยก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นส่วนเดียวก็ได้นะอาจจะมีอย่างอื่นด้วยอาจจะเป็นพ่อแม่ของของของเด็กที่ให้ให้เด็กมาเกิดให้มีรูปด้านหน้าตาดีประกอนก็ได้มันก็มีส่วนด้วยนั่นไม่ใช่อยู่ที่บุญอย่างเดียวที่เป็นตัวตัดสินว่าเราจะสวยจะหล่อหรือไม่มันมีหลายอย่างด้วยกันมีปัจจัยอื่น คุณจุไรรัตครับการนอนฟังธรรมะเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่คะจะไม่ได้ผลประโยชน์จากการฟังนี่ก็จะหลับถ้าอยากจะฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต้องนอนไ้นต้องไม่ไม่หลับวิธีไม่หลับก็ต้องนั่งยกเว้นว่าถ้าเราไม่สบายเราไม่ได้อย่างเี้ยรูพยายามฟังไปแต่อาจจะฟังได้ไม่ไม่จบอาจจะฟังไม่ได้สักนิดก็หลับไปก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างที่นั่นเอง คุณแม่พลอยครับกลับไนถามพระอาจารย์คะจิตกับวิญญาณใช่อันเดียวกันไหมครับคือจิตนี่มีสองชื่อนะเวลาที่อยู่กับร่างกายนี้เราเรียกว่าจิตด้ืยใจแต่เวลาแยกออกจากร่างกายไปเราก็เรียกว่าวิญญาณดวงวิญญาณแต่จิต <needle> จ <ener> ิตในขณะที่อยู่กับร่างกายนี้จิตก็มีตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่รับรูปเสียงกขีดลดจากร่างกายตอนนี้เราก็เรียกว่าวิญญาณกันแต่เราเรียกวิญญาณเป็นนามันรม ไม่ใช่เป็นตัวจิตตัวจิตนี้จะเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณก็ต่อเมื่อแยกออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายตายไปแล้วแล้วก็เลยกว่าตัวจิตทั้งดวงนี้ว่าเป็นดวงวิญญาณแต่ภายในดวงวิญญาณนี้ก็มีขันธ์สี่มีดวงเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในนั้นด้วยทีฉะนั้นคิดว่าคำว่าวิญญาณที่เราเรียกเรียกทางจิตนี่เป็นภาษาที่เราใช้กันมากกว่า คิดว่าไม่ได้มีในในสมัยพุทธกาลไม่ไม่มีในสมัยในคำสญญอนพระเจ้าที่เราเรียกจิตที่แยากกว่าร่างกายนี้ก็เป็นดวงวิญญาณเรา<ๆ>เราใช้กันมาจนเราเราติดกันมานั่นเองมันก็ยังเป็นจิตอยู่ดีเวลาจิตออกจากร่างกายมันก็ยังเป็นจิตอยู่ดีคุณมาคะสีครับ การเล่นถามศีลข้อที่สี่คืองดเว้นจากการพูดเท็จอย่างเดียวหรือรวมพูดคําหยาบเพ้อเจ้าสอเสียดด้วยครับคือในสีท่าสีแปดนี่ถือว่าการพูดเท็จอย่างเดียวแต่เรื่องการพูดคําหยาพูดเพ้อเจ้านี่มันอยู่ในอกุศลอกุศลก็ทำสิคือมันละเอียดกว่าสีท่าสีแปดสําหรับพวกที่เป็นนักบุญเนี่ยก็จะต้องก็จะต้องละการพูดคําหยาพูดเพ้อเจ้าพูดส่อเสียดด้วย แต่ฉัหรับผู้คองเรียนผู้ปฏิบัติถึงสิ่งห้าสิ่งแปดนี้ยังไม่ยังไม่ถูกไม่อยู่ในขาที่จะต้องจะไม่ต้องไม่ต้องรักษาแต่ถ้าอยากจะรักษาก็ไม่มีใครห้ามก็เป็นการดีแต่ไม่ถือว่าเป็นสิ่งข้อสี่ถ้าอาจจะเผลอพูดคำหยาบไปหรือพูดเพ้อเจ้อไป ค, คุณสนั่นครับ บางครั้งปฏิบัติเพื่อไม่อยากเกิดอีกบางครั้งก็อยากเกิดเพื่อจะได้ทําบุญทําทานเจริญภาวนาทั้งที่ทราบดีว่าการไม่เกิดอีกมันยากมากแต่จะเกิดเป็นอะไรไม่สามารถรู้ได้ก็เลยอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นคนอีกจะปฏิบัติขนาดไหนถึงจะได้เกิดเป็นคนครับ อ, อ๋อยังไงก็ต้องนำมาเกิดเป็นคนช้าเรื่้เท่านั้นเองเวลาตายไปถ้าบาปมีบาปก็ต้องไปใช้กลับก่อนถ้ามีบุญก็ไว้หน้าผดบุญก่อน ถ้งางึงก้อนขับอา ก, กนมานุ่นอยู่ดีคำถามข้อสุดท้ายครับอาจารย์คุณผลไม้ปราดบอกว่านั่งสมาธิแล้วลมหายใจหายเจ้าค่ะตกใจออกจากสมาธิต้องทำอย่างไรครับก็ค่ดูเฉยๆเวลาเราหายใจหายก็รู้ว่ามันหายไม่ได้ไม่ต้องไปตกใจสามปุ่มครึ่งครับอาจารย์ วันนี้อ่านมาได้ถึงสามทุ่มเกืบครึ่งครับเกือบหมดแล้วครับอาจารย์ครับสาสิเอดนาทีแล้วนี้เอาหมดพอดีครับอาจารย์หมดคำถามพอดีเลยครับมดนาทีนะครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมในเฟ c e b o o หก5้อยห้าสิบเอ็ดคนใน y o u ู u แปดร้อยสิบห้าคนในข่าวพาวสิบสามคนวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมด้วยกันหนึ่งพันสี่้อยเจ็ดสิบเก้าคนครับอาจารย์โยก็พอๆกับเราวันาวันนี้ก็หนึ่งพันกับหกสิบนึง พ น, 6, นุกทรัพย์แล้วตอนเช้าก็อีก 400, สก 1400, กี่น้อยก็เกือบพันสี่เือบพันห้าเหมือนกันที่ได้ร่วมทำบุญกันในวันนี้ก็ขอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฝังงวง ม, มาจารย์กุศลธร ร, รมน่าหวังว่าคงจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ท่านต่อไปการชนาราธรรมในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรใช้เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปโดยโท่หน้ากันเธอสาธุขอขอลาคุณน้อนและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงกรนีแล้วถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิย์นหน้าเช่นเคยขรเจริญพรอบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ